ตอนต่อปัญหาธรรมะวันที่17พฤษภาคม2557กาบนมัส ก, การพระคุณเจ้าคุณแ ม, ม่ชีกลยมิตรทุกคนนั่งสบายสบายเนาะก็เป็นปกติทุกคืนวันเสาร์กำลังมองหาอารมณ์อยู่ <c oughs> ก็เมื่อกี้แก้วทิพย์เขียนคำถามมานะมีคำถาม มาเจ็ดข้อเนาะก็มีโจทย์ให้พระครูพูดก็ก่อนที่จะพูดเรื่องนั้นเมื่อสักครู่นี้พระครูดูโทรทัศน์มีรายการหนึ่งเขาเอาคนขัดแย้งกันมามาแก้ปัญหาไม่ได้ก็รายการอะไรไม่รู้เนาะแล้วก็มีตัวสามตลกที่เขาจัดรายการวันนี้เขาเอาแม่กับลูกสาวลูกสาวรู้สึกเป็นดาราร ก็แม่นั่งอยู่ลูกสาวก็นั่งบนเวทีนะเขาก็ถามกันทะเลาะ ก, กันเรื่องอะไรนะทะเลาะ ก, กันเรื่องจอดรถที่บ้านคุยกันไม่รู้เรื่อง <c oughs> นี่แม่กับลูกนะเดีย๋ยว่าแต่สีแดงกับสีเหลืองทะเลาะ ก, กัน <c oughs> นะทะเลาะคนมีอารมณนะ์จนต้องมาขึ้นเวทีไก่เกียร์มันสะท้อนให้เห็นอะไร คนยุคนี้เนี่ยลูกสาวเขาก็มีเหตุผลเขาก็ทํางานกว่าจะกลับบางทีเที่ยงคืนแล้วต้องตื่นตีห้าไม่รู้ทํางานาก็ไปถ่ายทําอะไรก็ไม่รู้เขาก็ไม่ใช่มักง่ายเขาบอกเขาเหนื่อยมากเลยมาถึงบ้านเขาต้องการอย่างเดียวคือนอน <c oughs> ก็มาเจอแม่บน่นบางทีเขาก็จอดหน้าบ้านของข้างบ้านเลยเขาก็บอกว่า เขาจอดเ้านอนหมดแล้วไงเขาตื่นตีห้ามาหน้าบ้านไอ้ค้างบ้านก็ยังไม่ตื่นอันนี้คือเหตุผลของเขาว่าเขาเหนื่อยมากบางวันเขาไม่ขึ้นถึงบนห้องนอนเลยเขาก็นอนอยู่บนโซฟานะแม่ก็มาบน่บนบน่นแม่ก็รักลูกไงนะไม่อยากให้ลูกทําตัวไม่มีระเบียบวินยัยไปจอดหน้าบ้านคนอื่นเขาอะไรเนี่ยจนแม่คิดว่าจะทําที่จอดรถที่บ้านมีสี่สี่คันไงนะจอดเป็นเป็นเหมือนลิฟต์สี่สี่ชั้นอะไรเนี่นะ คือเราต้องเสียเวลาไปคิดกันเรื่องพวกนี้ทั้งหมดคืออะไรเพราะเรามีเพราะเรามีรถ ม, มันมีประโยชน์มันมีโทษมหันแล้วตอนนี้รถกลายเป็นปัจจัยที่ห้าโดยเฉพาะทุนนิยมเสรีพรกะครูเคยอยู่อเมริกาไอธุรกิจขายรถเนี่ย ไม่น้อยกว่าธุรกิจอาหารอาหารนี่ก็เป็นปัจจัยสี่นะซึ่งเป็นความจำเป็นของมนุษย์แต่ธุรกิจรถใหญ่มากเป็นธุรกิจระดับโลกชีวิตเรากลายเป็นการต้องมีรถเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยเขาแบ่งโซนิง่งอันนี้ที่พักนะอันนี้อุตสาหกรรมอันนี้ดาวทาวอันนี้เป็นธุรกิจ เขาจะแยกชัดเจนทีนี้การเดินทางเนี่ยมันก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้รถบ้านเราตอนนี้ก็ใช่เพราะครูยี่บห้าปีก่อนจากเมืองนอกมาอยู่มันนอกที่นี่ในหมู่บ้านนี้มีรถพ่อคูคันเดียวใครเป็นอะไรมาตีสองตีสามมาปลุกพ่อครูมีหน้าที่ส่งไปโรงพยาบาลแต่ตอนนี้เต็มเลยมอเตอร์ไซค์เต็มเลยเห็นไหยุคสมัยมันเปลี่ยน และตอนนี้กลายเป็นว่าแม่ลูกต้องมาขัดแย้งกันทะเลาะกันในแน่นอนแม่ทุกคนรักลูกลูกที่คนก็เคารพแม่แต่คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะวัตถุนิยมทุกคนมีทิฏฐิมนณะของตัวเองทุกคนมีเหตุผลของตัวเองลูกก็คิดว่าลูกทำงานหนักไงเป็นเด็กดีใช่ทำงานถึงเที่ยงคืนตื่นตีห้ากลับมาบ้านก็คิดว่ามากวนได้ไหมฉันจะนอนที่ไหนก็ให้ฉันนอน แม่ก็ห่วงลูกนะกลัวลูกเป็นคนไม่มีวินัยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็กลายเป็นลูกก็หาว่าแม่จุกจิกจู้จี้จนมาขึ้นเวทีประกาศให้สังคมเขารู้ว่าแม่ลูกทะเลาะ ก, กันคนโบราณเขาเคยเตือนว่าอย่าชักศึกเข้าบ้านอย่าว่าเรื่องภายในบ้านไปบอกข้างนอกอย่าว่าเรื่องข้างนอกมาพูดในบ้านแต่ตอนนี้มันตาลปาดแล้วบางทีวันใดเหงาก็ เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้หรอกก็ส่งส่งเมลออกไปเขาเรียกว่าอะไรนะออกไปบอกชั้นเหงามากฉั้นหิวข้าวก็ออกไปกินข้าวอยู่ก็ถ่ายรูปให้ก็ดูว่าฉันกินอะไร <c oughs> บอกเขาหมดเลยบอกเ้าหมดเลยนะแล้วก็ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาคือว่าเาส่งเมลอะไรก็รีบส่งต่อคือชักสือเข้าบ้าน ไอ้ชักสื่อเข้าบ้านเราชักเรื่องความคิดแบบวัตถุนิยมทุนนิยมหน่อยจนแม่ลูกคุยกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวว่าแต่คู่อริศัตรูคุยกันไม่รู้เรื่องคนรักกันคุยกันไม่รู้เรื่องและสังคมแบบนี้มันน่าอยู่เลยเราทำงานหนักไปทำไมก็สอนให้สู้ไงเออสู้ได้ฉันก็ขยันไงเออขยันแต่ว่าทะเลาะกันนะขยันแบบโมโง่ไม่สําเร็จนะ บางทีขยันอาจจะได้เงินมาแต่คุยกันไม่รู้เรื่องเอาเงินมาทําไมเอาเงินมาให้มันคุยกันไม่รู้เรื่องมนุษย์เราเอาเรื่องวัตถุเป็นที่ตั้งไม่เอาชีวิตเป็นที่ตั้งตอนนี้เป็นอย่างนั้นหมดแล้วนะถึงทะเลาะ ก, กันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะทั้งโลกเพราะมันจุดเริ่มต้นมันตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิดนะตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิดคือทุนนิยมแข่งขันเสรี โดยมีวัตถุเป็นตัวแข่งขันความสุขเกิดจากการบริโภคจากการบริโภควัตถุความสะดวกสบายคือความสุขความสะดวกสบายคือความสุขภาษาอังกฤษบอก convenient แล้วก็ feel comfortable แล้วก็ค่อย feel happiness ต้องต้องสะดวกก่อนค่อยรู้สึกสบายนั่นแหละคือความสุข เราถูกใส่โปรแกรมนี้มาทุกคนก็แสวงหาความสะดวกโดยหาเงินหาเงินเพื่อจะไปซื้อความสะดวกแล้วก็ค่อยสบายแล้วก็ค่อยสุขแต่ในช่วงที่กําลังหาเงินก็ทุกตั้งแต่ทุกตั้งแต่เรียนแล้วเรียนหาเรียนไปรู้วิชาเพื่อจะไปหาเงินในช่วงที่หาเงินเขาให้เราแข่งขันแข่งขันนะแข่งกันตายนะตอนนี้แข่งกันตายนะเพราะครูมาใหม่ๆเนี่ยที่นี่ยังบริสุทธิ์มากไม่มีไฟฟ้า อยู่แบบไม่มีไฟฟ้าสิบเปีนะอย่างสมมติว่าถ น, นนหนึ่งตอนนั้นเขาตัดถนนไอโชคชัยเดชอุดมเนาะเป็นสายเอเชียอะไรเนี่ยน ะ, ะบริษัทขายน้ำมันอย่าไปเอ่ยชื่อเขาบริษัทก็ก็มานั่งกดกดกดกดบริษัทขอก็อยู่มุมนั้นบริษัทงองอยู่มุมนั้นว่าวันหนึ่งมีรถกี่คันวิ่งมาทางนี้กดกดกดกดตามสถิติ เปิดปั๊มได้ <c oughs> ก็ไอตัวเลขเดียวกันเธอก็เปิดฉันก็เปิดก็แข่งกันตายมันโอเวอร์ซัพพลายตอนนี้เป็นอย่างนี้นะเมื่อเปิดแล้วขี่หลังเสือแล้วไม่ทำก็ไม่ได้กูนี่ยิมสิมาลงทุนแล้วเนี่ยไม่ทำก็ไม่ได้ก็ตั้งหน้าตั้งตาขยันทำมากก็เอาเงินไปให้ในายทุนเอาเงินไปให้ธนาคารนี่แหละคือทุนนิยม แข่งขันเสรีถ้าเสรีจริงๆเนี่ยนะนักมวยไม่ต้องช่งกิโลน ะ, นะก็ฟีสไตล์ไงทุนนิยมเสรีได้ยังคนมีทุนมากกว่าย่อมได้เปรียบคนมีทุนน้อยกว่าประเทศเล็กๆลงทุนโดกู้หนี้ยืมสินเสียดอกเบีย้ยประเทศเขารวยแล้วเขาลงทุนได้เขาได้ดอกเบีย้ยจุดเริ่มต้นต้นทุนเราก็แพ้เขาแล้วเป็นความคิดที่โง่งเขลา มันจึงแก้ปัญหามนุษยชาติไม่ได้ความเหลื่อมล้าจึงเกิดขึ้นทุกหยอมยายิ่งเทคโนโลยีก้าวหน้าเท่าไหร่ยิ่งออกรุ่นใหม่เท่าไหร่ไอ้คนที่มีอยู่แล้วก็อัปเดตอัปเดตอัปเดตไอ้คนที่ไม่มีมันก็ยิ่งไม่มีไอ้คนที่ไม่มีมก็อยู่ที่เก่านี่ยแหละมันไม่ได้ถอยหลังอะไรไปไหนแต่มันก้าวหน้าไม่ได้เพราะมันมีไอ้คนที่ก้าวหน้าก้าวหน้าอัปเดตก็ยิ่งไกลไกลไกกันใหญ่เลยสมมุติเราเราเป็นเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็เพิ่มพลังดูดของเรามากขึ้น ใช่ทรัพยากรอยู่ในส่วนรวมมีจำกัดมันก็ดูดเข้าตัวมันเองหมดไอ้ที่เยอะก็เยอะเลยไอ้ที่ไม่มีก็คือยิ่งไม่มีมากขึ้นความเดือมร้ํามันมากและที่คิดว่าสังคมแบบนี้เราจะมั่นคงเหรอไม่มั่นคงนะญาติคุณเกลียวคุณอ้วนนี่อยู่สีลมนะกลางกรุงเลยเป็นจุดที่จเจริญที่สุดอะ เดินอยู่ข้างถนนเฉยๆเนี่ยมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาชาักกระเป๋าไปเลยมั่นคงไหมไม่มั่นคงไม่ใช่รวยแล้วก็มั่นคงนะเจริญไปว่ามีมากขึ้นเติบโตไปว่ายิ่งใหญ่ขึ้นไม่ได้ไปว่ามั่นคงนะอันนี้คือสังคมปัจจุบันมันเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องห่วงหรอกเราเราเครียดกันทุกคนเครียดจนเราไม่รู้ตัวนะเพราะเราเร่งรีบอะไรก็ต้องเร็วเร็วเร็วเร นะกลัวว่าเราช้ากว่าเขาหนึ่งเก้าหมายถึงเราเรียบร้อยเราสู้เขาไม่ได้เราก็เลยติดนิสัยเร็วต้องเร็วเร็วเขาว่ามันก็ไปขัดแย้งกับคนโบราณเขาบอกว่าช้าช้าได้พาเล่มงามบางอย่างควรเร็วก็ไม่เร็วไปช้าบางอย่างควรช้าก็ไปเร็วเขาบอกว่าอย่าเอาเรื่องภายในบ้านไปพูดข้างนอกก็กระจายข่าวไปหมดเลยนะ แค่หิวข้าวก็ไปบอกเขาว่าฉันหิวข้าวเหงาก็ไปบอกเขาว่าฉันเหงานะตอนนี้มันชีวิตมนุษย์เราแล้วเนี่ยมันมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะเหมือนเราเราคิดเก่งแต่เราคิดไม่เป็นเราคิดเก่งแต่เราคิดไม่เป็นนะคนคิดเป็นคือคนไม่คิดไม่ใช่คนคิดเก่งคนคิดเก่งยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เรียกว่าคนคิดไม่เป็น คนคิดเป็นถ้าจําเป็นต้องคิดคิดแต่เรื่องเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตัวตัวเองและผู้อื่นยิ่งคิดคือยิ่งเครียดเป็นไมเกรนปวดหัวนะตอนนี้มีแต่คนคิดเก่งแต่คนคิดเป็นไม่ค่อยมีนะเพราะตลอดเวลามาเราเกิดมาเขาก็ตั้งชื่อให้เราโดยที่เขาไม่ได้ปรึกษาเราปรึกษาเราก็ไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็ส่งเราไปเรียนวิชาสร้างอนาคตนะ แล้วก็จบออกมาก็เอาชีวิตเราเนี่ยไปทุ่มเทไปทุกข์เพื่อสร้างอนาคตโดยที่เราไม่รู้ว่าอนาคตมันคืออะไรอนาคตคือความก้าวหน้าก้าวหน้าไปไหนนู่นนู่นนู่นนู น, น, น, น, น, น, นมาอยู่ตรงนูน่นนะมันอันลิมิตมันไม่มีวันจบสิ้นนะมันไม่มีวันสําเร็จสําเร็จไปว่าเสร็จแล้วไม่มีแม้แต่หนึ่งคนสําเร็จแม้กระทั่งคุณบิลเกตเพราะเขายังไม่เสร็จ อาจารย์พุทธทาจึงบอกว่าการศึกษาหมาหางด้วนคือมันไม่ครบองค์ตอนนี้เราต้องมีวิชาชีพทุกคนนี้ไม่ไม่เรียนไม่มีอาชีพก็อยู่ไม่ได้อาชีพเป็นหนึ่งในมัดมีองแปดทุกคนต้องมีสัมมาอาชีวะแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่สัมมาอาชีวะมันเป็นธุรกิจมันไม่ใช่แค่ยังชีพเพื่ออยู่ได้ไม่ตายมันเป็นเล่นการเล่นเกมรวยกัน ทีนี้คำว่ารวยนี่มันอันลิมิตมันไม่มีขอบเขตจำกัดมันก็เลยไม่มีวันสำเร็จเราถูกกระตุ้นให้แข่งขันต้องแข่งก่อนค่อยดำรงชีวิตได้ใช่อย่างครูบาอาจารย์คุณไมช่ชีเนนหรือภิกษนุนี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็เป็นอาชีพหนึ่งเขาเป็นอาชีพนักบวชใช่อาชีพมีหลายอาชีพนะขายข้าปิ้งก็อาชีพขายมันทอดก็อาชีพ ก, กรรมกรก็อาชีพอาชีพอาศัยยังชีพเท่านั้นเองคืออยู่ได้ไม่ตายเพื่อรักษาดำรงกายภาพนี้เนี่ยให้มันอยู่ได้ให้มันเป็นเครื่องมือในการเดินทางของจิตนี่คือสัมมาชีวะในนัยยะของนักมักมีองแปดแต่ตอนนี้เนี่ย สมัยก่อนเราเรียกว่าการคา้าทุกวันนี้การค้าไม่พอแล้วต้องธุรกิจการคา้านะทุกอย่างเป็นธุรกิจหมดเป็นกิจธุระเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเศรษฐีเศรษฐกิจทุกวันนี้เป็นกิจกรรมเศรษฐีมันจะเป็นสัมมาชีวะยากมากเพราะมันเล่าร้อนมันกังวลมันห่วงใหญ่เพราะมันกลัวจะแพ่เนะพราะคูเคยเขียนในเกษตรเพื่อชีวิตนะ เมื่อปี40เศรษฐกิจเมืองไทยล่มเข้า IMF จิตมันก็เขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเพราะกูไม่ใช่นักเขียนเราเห็นอารมณ์มันเกิดขึ้นทุกคนทุกมากนะพราะกูก็ยกตัวอย่างว่ามีคุณลุงคนหนึ่งเปิดร้านขายกว๋วยเตี๋ยวเขาขายแต่เช้าคนกินอาหารเช้ากับอาหารเที่ยงพอเสร็จแล้วเขาก็เก็บกวาดบ่ายสามเขาก็ปิดประตู นั่งตีขีมร้องเพลงเลี้ยงลูกจนเจริญเติบโตลูกก็ได้กินกว๋วยเตี๋ยวลูกก็ได้เรียนหนังสือลูกก็จบนะและอธิการบดีคนเก่าที่อบุบลมหลาลัยอุบลเนี่ยพ่อเขาก็ขายกว๋วยเตี๋ยวเขาวิ่งมาหาพระครูที่นี่ขอพิมพ์หนังสือเล่มนั้นห้าพเล่มตอนนั้นเขาเป็นคณะบดีวิศวกรรมาศาสตร์เขาก็ชอบหนังสือเล่มนี้ พ่อเขาบอกพ่อเขาก็ขายกว๋วยเตี๋ยวจนเขาเป็นด็อกเตอร์แล้วก็คํานึงที่พ่อครูพูดในนั้นบอกว่ายิ่งแหลมก็ยิ่งคับแคบปริญญาตีแค่นี้โทแค่นี้เอกแค่นี้สเปเชียลไลซ์รู้เรื่องเดียวกลายเป็นวิชั่นแคบมากยิ่งแหลมยิ่งคับแคบยิ่งคมยิ่งเปราะบางแตะต้องไม่ได้เลยท่านเป็นใครฉันเป็นาศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์ไม่เป็นคนละ ยิ่งเรียนยิ่งอับตาเยอะแต่ต้องไม่ได้เปาะบางมากการศึกษามันทําให้เรามองอะไรมุมเดียวแต่ในแง่ชีวิตเรามันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวเห็นไหมมีเงินแล้วแม่ลูกทะเลาะ ก, กันทําไมลูกไม่ใช่เป็นคนชั่วชวนเร็วลูกขยันทํางานนอนเที่ยงคนืนตื่นตีห้าแต่คุยกับแม่ไม่รู้เรื่องเราจะขยันมาทําไมความสุขเกิดขึ้นในครอบครัวไหมไม่ ตอนที่ยังไม่จบอะไรแม่แม่ดูแลเลี้ยงดูจนเรียนอยู่นี่เห็นหน้างกทุกวันกอดแม่ทุกวันเห็นไหมแต่ตอนนี้จบแล้วเนื่องจากทํางานหนักอะไรตัวเองก็เครียดแล้วสุดท้ายคุยกับแม่ไม่รู้เรื่องแค่เรื่องจอดรถอย่าไปสงสัยนะตอนนี้สังคมโลกทุกวันนี้เนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องด็ตอร์สองคนคุยกันไม่รู้ภาษาแต่ทําไมชาวนาสอนควายไถายนาได้ เพราะมันจิตสื่อจิตมันไม่ผ่านภาษาตอนนี้เราไปหลงภาษาเราคุยกันไม่รู้ภาษาเพราะเราไปหลงว่าเรารู้ไงตอนเด็กๆแม่บอกยาณนะลูกทะเลาะ ก, กันเขาก็หยุดเพราะเขารักแม่พอโตขึ้นพูดคำานึงเถียงไปสิบคำเลยเพราะแม่ไม่รู้ฉันรู้มากเห็นไหมความรู้มันเป็นแบบนี้ความรู้สร้างอัตตาแต่ปัญญา ข้าอัตตาความรู้กับปัญญาไม่คนละเรื่องยิ่งเรียนก็ยิ่งไม่รู้เพราะยิ่งเรียนก็ไปหลงตัวรู้ตัวเองอัตตาเยอะมากแต่ต้องไม่ได้แต่ผู้เจ้าสอนให้เราเกิดปัญญาเพื่อทำลายอัตตาวินาทีที่เราพ้นทุกข์เราต้องเข้าสู่สุญญาตาคือว่างจากอัตตาแต่ตอนนี้เรายิ่งเรียนรู้ยิ่งเรียนรู้อัตตาก็ยิ่งเยอะขึ้น มันสวนทางกับการพ้นทุกข์นี่แหละอาจารย์พุธธ้ดท่าถึงบอกว่าการศึกษาหมาหางด้วนทีนี้การศึกษานี่ใครเป็นคนจัดให้มันเป็นแบบนี้ถ้าการศึกษาสมัยโบราณนั่นการศึกษาเป็นตัวกําหนดสังคมเราต้องการให้สังคมเป็นอย่างไรเราก็บ่มเพาะลูกหลานเอาเป็นอย่างนั้นเขาเหมือนผ้าขาวเราบายสียังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้การศึกษาเนี่ยถูกกาหนดด้วยสังคมทุนนิยม เธอต้องสอนวิชานวิชานี้ไม่งั้นเธอไม่มีงานทําจบดอกเตอร์สเปเชียลหลก็แค่เป็นลูกจ้างของนายทุนเท่านั้นเองไม่ได้เก่งอะไรแล้วไม่ใช่ด็อกเตอร์เป็นคนผิดนะไม่ใช่ดอกเตอร์เป็นคนไม่ดีแต่ความเป็นด็อกเตอร์เนี่ยมันเดินมาตามขบวนการที่เดาจัดอย่างนั้นทุนยอมจัดกันให้เธอรู้แค่เรื่องเดียวเดี๋ยวเธอจะฉลาดเกินไปฉันจะควบคุมเธอไม่ได้ เธอเป็นแค่นอ็อตเป็นแค่ล้อเป็นแค่พวงมาลายัยเป็นแค่อะไหล่ของฉันเมื่อเสื่อมพุ๊ฉันก็โยนเธอทิ้งฉันก็เปลี่ยนตัวใหม่ท่านนั่นเองเราเป็นแค่ทรัพยากรพวกครูเคยไปบรรยายที่ไหนไม่รู้นะนะักวิชาเขาก็ถามแบบนี้แหละพวกครูตอบบอกว่าถ้ามนุษย์เป็นแค่ทรัพยากรก็ไปต่างอะไรกับปุ๋ยหมักขี้วัวขี้ควายก็เป็นทรัพยากรและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามันไม่มี เป็นขยะสารพิษแบบนักวิชาการตอนนี้สร้างขึ้นมาเห็นไหมมนุษย์เราไม่ใช่เป็นแค่ทรัพยากรมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่อริยบุคคลได้แต่ตอนนี้เขาจับเราเป็นแค่ทรัพยากรเป็นแค่เครื่องมือในการสร้างทุนของเขาเอ๊ะทำไมพระครูบอกปฏิบัติธรรมที่นี่ทำไมพูดแต่เรื่องทางโลก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 คือธรรมชาติคือธรมธรมดาธรรมดาคำว่ารู้ธรรมคือรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งไม่ได้แปลว่ารู้มากตอนนี้รู้วิชาการมากท่องจําท่องจําแล้วก็เอามาพูดถ่ายทอดแล้วก็พูดถูกพูดผิดแล้วก็ไปนั่งเถียงกันว่านิพานเป็นอัตตาเป็นอนัตตาธรรมะกายเป็นตัวหนังสือเป็นองค์วิชาเป็นดุนๆุ น, นธรรมะไม่มีตัวหนังสือ ธรรมะไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีของแท้ไม่มีของเทียมถูกผิดดีชั่วของแท้ของเทียมมันเป็นภาษามนุษย์ซึ่งมนุษย์สมมุติขึ้นและตอนนี้ที่ทะเลาะ ก, กันที่ล้อ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะทุกคนว่าตัวเองถูกหมดนั่นแหละถูกในัยยะนยะที่ฉันเชื่อกฎหมายฉบับเดียวกันแปลไม่เหมือนกันตีความไม่เหมือนกันเห็นไหมมันสะท้อนให้เห็นว่าภาษานี่มันหยาบเกินไป ที่จะอธิบายสิ่งนั้นสิ่งนั้นที่ผู้เจ้าบอกว่าสิ่งนั้นคือความจริงนั้น่ะพูดด้วยภาษาไม่ได้เพียงแต่ว่าพราะองค์ใช้หลักภาษามนุษย์มาบอกแล้วว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตถาคตเห็นธรรมคืออะไรลูร้ธรร ม, มะมันมีกี่แขนกี่ขารูปร่างหน้าตาอย่างไรมันแต่งชุดสีอะไรเหรอ มันเป็นเล่มๆอย่างนี้เหรอไม่ใช่เห็นธรรมคือเห็นจิตเท่านั้นเองจิตเห็นจิตคือมรรคผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธตอนนี้เราอยากเห็นจิตเราไปนั่งดูจิตไปนั่งดูกายดูเวทนาไม่ใช่เห็นแบบนั้นไม่ใช่ไปเพ่งแบบนั้นต้องเข้าไปในจิตในจิตนะไปสัมผัสอารมณ์ในนั้นธรรมในธรรมธรรมอารมณ์นั้นนั่นแหะคือกล่องปัญญาของเรา ตอนนี้เราไม่เข้าไปเราเอาจิตมาฝึกสมาธิจเจริญสติไม่ต่างอะไรที่เราเป็นนักมวยล้วก็ฝึกให้เราแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงบางทีก็เอาความแข็งแรงตอนนี้นี่ไปต่อยคนอื่นไปเบียดเบียนคนอื่นนะเพราะเราไม่เกิดปัญญาตอนนี้ไปที่ไหนเมื่อเมื่อวานนี้ก็มีรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องธรรมะก็มาพูดเรื่องสติกัน สติไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะแต่สติไม่ใช่พระเอกไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดสติเป็นแค่เครื่องมือในการเดินทางของจิตเป็นแค่หนึ่งในมรรคมีองคปดเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เอามาเป็นพระเอกพวกครูบอกเลยว่าโจรก็มีสติโจรก็มีสมาธิไม่งั้มันพ้นไม่สาเร็จนะมันใช้สติใช้สมาธิมากกว่าพวกเราอีกแต่มันไม่มีศีลมันไม่มีปัญญาแต่ตอนนี้เราสติเป็นพระเอก แลวแต่ต้องไม่ได้เพราะพรอคูพูดแบบนี้ก้อนอิดโยนมาเลยบอกว่าพ่อครูเนี่ยสอนขัดแย้งกับพุทธเจ้าเขาเจริญสติกันผู้เจ้ายกตัวอย่างหลายๆวิธีเนี่ยเออบอกผู้คองเรือนทำยังไงมีธรรมะหลายระดับถ้าเธอเจริญสติต้องทำแบบนี้แต่นั่นคือเจริญสตินั่นคือฝึกสมาธิเป็น อนุวิชาอย่างหนึ่งเป็นอนุสติเป็นสติเล็กๆแต่พระองค์ว่าถ้าจะพ้นทุกเนี่ยต้องพัฒนาอนุสติกลายเป็นมหาสติสติปฐานทั้งสี่ต้องบริบูรณ์นะแล้วก็เข้าไปสู่จิตในจิตโพชงเนี่ยก็แสดงตัวขึ้นมาเราก็เจริญโพชงทั้งเจอันบุคคลจเจริญทําให้มากแล้วย่อมทําวิชาและวิมุติให้สมบูรณ์ แต่ตอนนี้ถ้าเราเข้าไ ป, าไปในจิตมัวจะเอาจิตม า, มาอยู่ที่กายภาพอยู่ที่เวทนาอยู่ที่เจริญสติเนี่ยมันจะเข้ากล่องปัญญาไม่ได้แต่มันไม่ใช่ว่ามันผิดมันเป็นบาทฐานเบื้องต้นสัมมทัเป็นกำลังส่งเสริมให้เกิดวิปัสสนาแต่สามสี่สิบปีก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วมันจะไปไหนนี่แหละคือเข้าใจคาสอนแบบคาดเคลื่อนเราไปแยกส่วนแยกซอยแบบตักกะแบบทางโลกมาใหม่ใช่ไหม ไปไปฝึก a b บซกอไก่ขอไข่ชาดหนึ่งชาด2ชานสาชานสี่เพราะครูบอกนะตายก่อนกระแสะกรรมก็ไล่บี้เราอยู่ทำไมพรอครูพระพุทธองค์เนี่ยบอกให้เราเนี่ยเริ่มจากเรามีกายนะเทวดาไม่มีกายทำไม่ได้นะเราต้องเอากายเราเป็นฐานที่ตั้งเบื้องต้นเนี่ยกายในกายแล้วก็เวทนาในเวทนาเข้าไปในจิตในจิต เราถึงจะสามารถเสพธรรมในธรรมเพราะธรรมในธรรมคือธรรมลมที่บันทึกอยู่ในจิตใต้สํานึกเราในรูปของกรรมดีกรรมชั่วนั่นคือกล่องปัญญาของเราไม่ใช่ไปดูจิตเฉยๆนะก็เห็นเงาของมันนะไปส่องดูหน้าต่างบ้านหลังนี้ชื่อว่าจิตข้างในมันก็ยังเปื้อนอยู่ไงไม่ใช่ไปดูอย่างนั้นไม่ใช่ไปเพ่งอย่างนั้นต้องเปิดประตูบ้านเข้าไปในจิตในจิต เราถึงรู้ว่าอารมณ์ในจิตใต้สำนึกเรามันมีอะไรบ้างเราก็ไปขัดเกลาจิตให้ผ่องใสแล้วก็ไปเรียนรู้ประสบการณ์จริงตรงนั้นไปเอาบารมีเก่าที่เราฝึกมาหลายชาติมาต่อ ย, ยอดไม่ใช่มานั่งนับหนึ่งใหม่แบบนี้เราก็เห็นตัวอย่างเลยนะคูบาจะร์เราบวชสามสิบแปดพันษาสี่สิบพันษาเรามั ว, มวจะเจริญสติตรงนั้นน่ะถึงไปไม่รอดไง ไม่ใช่เจริญสติไม่ดีแต่ถ้าเป็นหลงติดมันเมื่ อ, อไหร่เนี่ยเป็นความเลวร้ายอย่างยิ่งโอ้ทำไมพ่อครูพูดแรงจังไม่พอถ้าแรงมันต้องดูดจากตรงนั้นมันก็ยังเหนียวหนึบอยู่ใครแตะต้องไม่ได้ก็ฉันถูกสอนเจริญสตินะั่นคือปฏิบัติธรรมอันนี้คนมาใหม่ด้วยนะต้องฟังนะปฏิบัติธรรมไม่ใช่สมาธิผลนิพพาน ไม่ใช่สติผลนิพพานมักผลนิพพานนี่คือการปฏิบัติธรรมการเจริญมักแต่การเจริญมักต้องใช้สมาธิใช้สติสมาธิสติเนี่ยเป็นองค์แปดเป็นหนึ่งในมีองค์แปด เมื่อเราหลงป่าเนี่ยเราต้องหาทางเดินออกจากป่าไม่ใช่ฝึกฝึกวิชาสมาธิฝึกสวาสติมัวแต่ฝึกอยู่นั้นนั้นเสือมันมามันก็กินเราไฟไหม้ป่าเราก็ตายเราตายในป่าวัฏตาสงสารเนี่ยหลายรอบแล้วเราเกิดมาเพื่อเดินทางต่อแต่การเดินทางถ้าเราไม่ใช้สมาธิเราก็ขัดขาตัวเองลม้มถ้าเราไม่ใช้สติเราก็ชนต้นไม้ตกเหวตกบ่อถ้าเราไม่ใช้ปัญญาเราก็ผ่านอุปสรรคไม่ได้เจองูยังไงเจอเสือยังไงเติรนมันต้องใช้ ไม่ใช่ไปแค่ฝึกต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรไม่ใช่ไปฝึกวิชานะั้นวิชานี้นะโดยเฉพาะในศูนย์เนี่ยพ่อครูไม่ได้สอนอะไรเลยที่พูดพูดพูดอย่างนี้เอาประสบการณ์ทั้ ง, ท, งทางโลกทางธรรมเนี่ยมาแบ่งปันนะมาชี้ทางให้ส่วนเดินแบบไหนใครจะถนัดขวาถนัดซ้ายจะเต้นท่าไหนก็นานาจิตตัง แต่และดวงจิตมันไม่เหมือนกันเราเอาเขามาเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันหมดเลยนะสั่งการโดยครูบาอาจารย์ให้ฝึกทีละก้าวทีละก้าวอย่างนั้นมันก็ได้แค่ฝึกมันก็ได้ความสงบชัว่วคู่มันเข้าถึงกล่องปัญญาไม่ได้เรากาหนดขวามันก็อยู่ขวาเรากาหนดซ้ายมันก็อยู่ซ้ายมันก็อยู่ตรงนั้นไงหยุดคุณคือสิ่งที่คุณทา มันก็อยู่ตรงนั้นแต่มันไม่ได้เข้าไปข้างในคุณกำหนดอยู่ข้างนอกนก็อยู่ข้างนอกสี่ห้าสิบปีมันก็อยู่ข้างนอกแต่แลราก็คุ้นเคยเนี่ยรุ่นต่อรุ่นถ่ายทอดมาแล้วก็คุณบอกว่าต้องเป็นแบบนี้พระพุทธเจ้าบอกเราว่าอย่าพึ่งเชื่อที่ทำตามตามกันมาอันนี้เรากลัวมากเลยเฮ้ยลัทธิใหม่เหรอจะหลอกให้ฉันหลุดโผเหรอทุกคนกลัวมากกอดอยู่ตรงนั้นแหละ ผู้เจ้าบอกเองว่าอย่าพึ่งเชื่อที่ทำตามกันมาอย่าพึ่งเชื่อคนที่พูดเน่เป็นครูบาอาจารย์เราฟังหูไวหูเป็นศาสนาเดียวที่กล้าพูดอย่างนี้ยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์นี่ยังไม่กล้านะกลัวลูกศิษย์ลูกหานอกกรอบเรียนอะไรนี่ต้องเป็นแพ็กเกจเป็นแพทเทิร์นอันนั้นยังไม่ใช่วิทยาศาสตร์ผูเจ้าเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เลย บอกว่าอย่าพึ่งเชื่อแม้กระทั่งครูบาอาจารย์อย่าพึ่งเชื่อที่ทำตามกันมายกตัวอย่างนะพวกครูก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์วัดป่าเหมือนกันนั่นแหละตั้งแต่เด็กๆกนนวิชาเทคนิควัดป่าเนี่ยไม่ใช่ผิดไม่ใช่ไม่ดีแต่มันไม่ทันยุคทันสมัยวัดป่าก็ต้องอยู่ป่าสิมายุ่งกับโยมทำไม ตอนนี้เราไม่เข้าใจเราเข้าใจคาดเคลื่อนแล้วตอนนี้ไม่มีป่าอยู่แล้วนะในป่านี้เนี่ยคลื่นมันเข้ามาหมดแล้วมันไล้สายไม่มีป่าอยู่มาแล้วถ้าเรามัวไปฝึกไอ้ไอ้ต้มต้มเตียมเตีย ม, ม, ม, มนั่นกำลังมันไม่ถึงกำลังไม่ไม่พอสิ่งกระตุ้นสิ่งกระทบเรามันแรงนี่แหละพระเจ้าบอกว่าเป็นไปตามเหตุและปัจจัยเราทำตามใจเราจะอนุรักษ์แนวทาง ที่เราถ่ายทอดมาเราต้องซื่อสัตย์อันนี้เราทำตามใจแล้วถามว่าอนุรักษ์อยู่ไหมถ้าคนรุ่นใหม่เขาไม่เอาเขาเข้าไม่ถึงเขาก็ทะเลาะ ก, กับแบบนี้เราตายไปแล้วมันก็ศูนย์พันไงอนุรักษ์ไม่อยู่จิตซึ่งมีปัญญาเราต้องรู้เท่าทันโลกความเปลี่ยนแปลงของโลกเราต้องกล้า ป, ปรับปรุงเพราะครูอบอกแล้วว่ า, าศาสนาพุทธมิใช่เป็นเพียงคาสอนแต่เป็นการปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุก ส่วนที่เป็นตัวคำสอนนั้นน่าจะพัฒนาปรับปรุงให้มันทันยุคทันสมัยเทคนิคเห็นไหมตอนนี้ทำไมเรา G2 แล้วเปลี่ยน G3 G4 G5 ทำไมทางโลกก็คนทุกวันนี้มันใจร้อนมันไม่ทันไงมั่จะไปฝึกขี่คอช้างถือเงี้ยวถือเงาฟันดาบนะในขณะที่กิเลสมันขี่จะรวดเราจะทันหรือเปล่าแต่หลักการที่ผู้เจ้าสอนนั้น ความเป็นจริงของธรรมชาตินั้นอย่าบางอาจจะไปคิดเปลี่ยนอย่าบางอาจจะไปตั้งลัทธิใหม่อย่าบางอาจเพราะสิ่งนั้นคือความจริงอีกกี่ล้านปีใครก็ เ, เปลี่ยนไม่ได้มันคือสัจธรรมแต่เทคนิคอุบายวิธีพระเจ้าบอกเองแล้วเป็นไปตามเหตุและปัจจัยเราต้องเร็วกว่ากิเลสสิกิเลสสมัยพุทธกาลในอีกแบบหนึ่งนะแน่นอนความทุกข์เกิดขึ้นจากตัณหา สมัยพุทธกาลที่เขาทุกข์เขาเกิดจากตัณหานั่ยแหละทุกวันนี้ทุกข์ก็เกิดจากตัณหาแต่ตัณหาคือความอยากอยากไม่เหมือนกันและอุณภูมิของความอยากก็ไม่เท่ากันด้วยตอนนี้มันรุนแรงเล่าร้อนจนแม่คุยกับลูกไม่รู้เรื่องแม่ก็เป็นคนดีรักลูกลูกก็เป็นคนดีเป็นคนขยันไงทำ ม, มาหากินนอนเที่ยงคืนตื่นตีห้าเห็นไหมเป็นคนดีแค่นั้นในบกดีไงคนดีแล้วทำไมคุยกับแม่ไม่รู้เรื่องดีจริงเหรอ ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้หมดแล้วนะเพราะว่าเราสรับสนในชีวิตเราถูกใส่โปรแกรมเข้าไปเราคิดนอกกรอบนั้นไม่ได้บางทีน้อยใจด้วยเนี่ยทำงานหนักแม่ก็สอนให้ขยันแล้วไงนอนวันหนึ่งแค่ห้าชั่วโมงเนี่ยเห็นไหมแม่ยังไม่เห็นใจฉันเลยแม่ยังไม่เข้าใจฉันเลยเห็นไหมก็น้อยใจอีกคุยก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิด เราไม่ได้ทำเพื่อชีวิตเราไม่ได้สู้เพื่อชีวิตเราเอาชีวิตไปเราไปทุกเพื่อสร้างอนาคตเราไม่เอาชีวิตละและอนาคตอยู่ไหนไม่รู้รู้แต่ว่าต้องอยู่ข้างหน้าต้องก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวหน้าจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะรู้ชีวิตนะถ้าอยากรู้ชีวิตเนี่ยอยากก้าวหน้าต้องถอยหลังนิพานมันอยู่ข้างในมัน มันสวนทางกับกระแสะโลกที่บอกอยากก้าวหน้าต้องไปโน่นไปเมืองนอกไปเรียนมันเก่งๆนั่นคือทางโลกแต่ในทางสายธรรมถาเาจะพ้นทุกเนี่ยอยากก้าวหน้าต้องถอยหลังทางโลกต้องมีความรู้เยอะๆเป็นเครื่องมือในการหามาเยอะๆมีเยอะๆเราก็บอกมันมั่นคงเราเข้าใจว่าเจริญเติบโตคือความมั่นคงเราเข้าใจผิดอเมริกาเจริญที่สุดในโลก เติบโตยิต่ใหสุดเศรษฐกิจสังคมการเมืองอันดับหนึ่งของโลกแต่ตอนนี้ก็กําลังแย่ไม่ได้แปลว่ามั่นคงจเจริญไปว่ามีมากขึ้นเติบโตไปว่ายิ่งใหญ่ขึ้นไม่ได้แปลว่ามั่นคงใช่ไหมความมั่นคงมันต้องถอยเข้าไปข้างในเราจะเกิดปัญญาเราจะรู้ว่าอะไรคือความมั่นคงนะไปถามจิตเดิมเราไปถามอาจารย์เราจริงๆอยู่ข้างในอาจารย์เรามีอายุหลายล้านชาติ เขาผ่านการทดลองทดสอบเป็นมาหมดแล้วทำไมเขาจะไม่รู้เขาทำไมเขาจะไม่รู้ว่าแบบไหนมันจะทำให้เราพ้นทุกข์แต่ตอนนี้เรามีแต่ขยะความรู้เราส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากคนอื่นเขาบอกเราเขาบอกให้เราท่องจำความรู้คนอื่นจำจำแล้วเวลาสอบเขาประเมินว่าใครจำเก่ง พอสอบผ่านปุ๊บเทิมหน้าไปจำของใหม่นันแค่ฝึกให้เราเป็นนักเรียนแบบไม่ใช่นักเรียนรู้ภาษาอะไรก็ช่างภาษาไทยภาษาลาวภาษาเขมรภาษาอังกฤษภาษาจีนมันคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาสมมุติขึ้นมามันก็เป็นแค่องค์วิชาทางภาษาอย่างหนึ่งมันเป็นแค่ความรู้ที่เราไปจาของคนอื่นมา มันไม่ใช่ปัญญาซึ่งเกิดจากการเห็นแจ้งของเราเห็นไมเราก็คิดตามความจำเราคิดนอกกรอบความจำไม่เป็นนะอันนี้พ่อครูเกิดตรงนี้ก่อนอว่าให้เรามองรู้ว่าชีวิตคืออะไรนะหลายคนเวลาพ่อครูเมื่อวานนี่ก็ไปตั้งตั้งแต่งานที่ผ่านมางานอะไรนะที่ีงปฮะ วิสาขาก็ลาพระครูทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันนี้พระครูก็บอกว่าเออดูแลตัวเองนะเราเคยดูแลตัวเองไหมไม่ค่อยลืมตาก็เห็นคนอื่นบางทีไม่ใช่เรื่องเราไม่เห็นด้วยก็เงี่ยหูฟังมันพูดอะไรวะเราไม่เคยดูแลตัวเองเราไม่เคยเห็นตัวเองเลยเราไม่เคยรู้จักเลยว่าตัวเองนี่เป็นใคร คนคนหนึ่งไม่รู้วตัวเองเป็นใครเราจะบริหารชีวิตตัวเองถูกต้องหรยอศาสตร์ของผู้เจ้าเนี่ยสอนให้เรารู้ว่าเราเป็นใครลืมตาเราไม่เห็นตัวเองเราเริ่มจากหลับตาก่อนแต่ไม่ใช่กลางคืนนะหลับตาก็เหมือนคนตาบอดหลับไปเลยก็ไม่เห็นตัวเองแต่สัมมาทิวิปสนาหลับตาแล้วยังเห็นตัวเองอยู่ แล้วไม่ใช่ตัวเองปัจจุบันเดี๋ยวนี้ด้วยถ้านักวิทยาศาสตร์อยู่นี้นักวิทยาศาสตร์มีหลายคนนะถ้าเราต้องการรู้ว่าไอา้ฝาเนี่ยเนี่ยเขาทําด้วยอะไรเนี่ยแล้วก็ไปหล่อหลอมไปหลอมไปแยกธาตุไปหาที่มาของส่วนผสมใช่ไหมเราก็รู้ว่ามันทําด้วยอะไรใช่ไหมนั่นคือความรู้ทางโลกเพราะมันช่างตวงวัดได้แต่ถ้าเราจะรู้ว่าเราเป็นใครเนี่ย เราจะทํำยังไงเอาเราไปหลอหล้อมไหมเอาไปหลอมอไปเผาใช่ไหมไปแยกธาตุใช่ไหมมันก็เป็นอากาศธาตุที่เหลือก็เป็นธาตุดินจริงเหรอเรามีแค่นั้นจริงเหรอไอ้จิตวิญญาณที่มันไม่มีช่างตรงวัดนั่นเราก็เข้าไม่ถึงไงทีนี้ผู้เจ้าไปเจอวิธีที่อยากจะรู้ว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรเนี่ยพระองค์ใช้ส ม, มถวิปัสนาคือเข้าไป หาที่มาของมันที่มาของมันอยู่ไหนเป็นวิชาแรกที่ผู้เจ้าตรัสรู้คือบุพเพนิวาสานุสติยานยานรู้ว่าด้วยการระลึกชาติทำไมเราเกิดเป็นผู้หญิงทำไมเราเกิดเป็นผู้ชายทำไมอันนี้เกิดเป็นแมวเป็นเสือเป็นหมูเป็นหมาเพราะผู้เจ้ารู้ได้ยังไงก็รู้จากพระ อ, องค์ไปวิจยยัยไงธรรมวิจยะ ไปวิจัยเข้าไปหาที่มาของพระ อ, องค์เป็นที่มาแล้วก็ไปเห็นอดีตชาติเราสร้างกรรมไว้นะวิชาแรกคือบุพเพนิวาสานุสติยานยานรู้วิในการระลึกชาติวิชาที่สองพระ อ, องค์ไปตัดสรุนะทำไมเกิดมาไอคิวสูงไอคิวต่ำเกิดมาสมบูรณ์เกิดมาขาเป๋พระ อ, องค์ไปเห็นอดีต ประสบการณ์พระองค์จึงไปตัดสู้วิชาที่สองคือจุดุปาตยานยานรู้ว่าด้วยการเกิดเพราะกรรมตายเพราะกรรมไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนกําหนดให้เราเป็นอย่างนี้กรรมเป็นตัวกําหนดอย่างเราเอาซอฟต์แวร์เอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกจากเครื่องนี้เราไปซื้อเครื่องใหม่ๆมาเลยเนี่ยเราใส่เข้าไปโปรแกรมมันหายไหมไม่หายไอโปรแกรมที่เราสร้างกรรมไว้นั่นแหละมันเป็นตัวกําหนดที่ให้เราไปอยู่ในล่างที่ดีขึ้นหรือเลวลง ผู้เจ้าไม่ใช่นั่งเทียนคิดเอาเองนะพระองค์รีวายเข้าไปแล้วลึกเข้าไปใช้เครื่องมืออะไรใช้จรวดหรอใช้พลังนิวเคลียร์หรอร้อยนิวเคลียร์ก็ทำไม่ได้พลังจิตก็คือพลังส ม, มถาวิปัสสนาเห็นไหมจรวดทุกวันนี้ยิงเนี่ยเมือ่อวานนี้ก็ ประเทศไหนเนี่ยทดลองจรวดระเบิดกลางอากาศมันเก่งที่สุดมันยิงเข้าไปเป็นแค่ดาววังคารแค่แค่พระจันท์เท่านั้นเองมันไปไปไม่ถึงดวงอาทิตย์หรอกตายก่อนใช่ไหมเราแค่ร้อยปีแสงแต่แสงหนึ่งเนี่ยจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกหมื่นกว่าปีแต่จิตพระพุทธเจ้าไปมาหมดแล้วนะนี่แหละคือพระองค์ไปค้นพบวิธี ที่จะถอยหลังไปดูที่มาของเราแล้วพระองค์ก็ทำได้ไม่ใช่ทำได้ไม่พอแล้วพระองค์ก็สามารถถ่ายทอดให้ทุกคนทำได้ด้วยถ้าเชื่อพระองค์และทำตามพระองค์จริงๆมันเป็นสากลมันเป็นทางสายกลางนะอันนี้คือความยิ่งใหญ่อยู่ที่ว่าเราเชื่อพระองค์แค่ไหนเชื่อเชื่อไม่เชื่อไม่มาที่นี่เชื่ออยู่ เชื่อ 20% แต่เชื่อกิเลส80เงี้ยศรัทธายุไม่ศรัทธาก็ไม่มาศรัทธายุ 50% แต่กิเลสมัน70ไงี้ย <c oughs> เออกล้ากลัวๆแต่ถ้าเราตั้งมั่นนะทำจริงเหมือนเราเไม่ควรจะเรียนอนุบาลจนจบปรยาตีโทเอกเนี่ยทุ่มเทครึ่งค่อนชีวิตทำไมทำไมกล้าลงทุนทำไมแต่วิชานี้ทําไมไม่กล้าลงทุนบางคนมาวันหนึ่ง เจอผีบอกฉันจะกลับดีกว่าไม่เอาแล้วเห็นไหมแต่ไปเรียนหนังสือเจอเจอพูนมันลังแกอะไรอะไรแม่ก็เออไม่เป็นไรหลูกอดทนสัก็อดทนเพื่ออนาคตไงอดทนไงจนเรียนจนจบไงทุกมากเลยแล้วจบมาแล้วก็ยังทุกข์อีกทํางานก็ยังทุกข์อีกยังอุตส่าห์ทำอยู่ตรงนั้นแหละแล้วทําไมวิชานี้ทําไมไม่อดทนกันทําไมไม่ทุ่มเทแล้วบางคนว่าไม่ก้าวหน้าเลยก็เห็นยืนอยู่เฉย ๆ, ๆเธอจะก้าวมาได้ยังไง ขี้เกียจเดิมมันจะไปก้าวหน้าได้อย่างไรเห็นไหมพิสูจน์ได้แล้วก็ต้องไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรด้วยไม่ต้องขอวีซ่าด้วยไปเรียนอเมริกายังขอวีซ่านะบางทีมันก็ไม่ให้ผ่านด้วยแล้วต้องลงทุนอีกอันนี้เป็นศาสตร์ที่ง่ายที่สุดในจักรวาลในโลกในจักรวาลมีอะไรง่ายกว่านี้แต่เราไม่เอาเราไม่เชื่อว่า ม, มันมีอะไรง่ายกว่านี้ แล้วถ้าเราทำสำเร็จนะแก้ปัญหาชีวิตเราไม่ใช่เรื่องชาติเดียวตลอดการแก้กรรมที่เราสร้างมาในวัฏสงสารทั้งหมดเลยมันเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่มองโมจะไปวิจัยอะไรก็ไม่รู้สร้างอาวุธนิวเคลียร์มาฆ่ากันเก่งไหมฉลาดไหมสำหรับพวกครูนะบอกโง่ ตัวเองทำร้ายตัวเองไม่พอยังไปทำร้ายคนอื่นให้เขาหลงทางชีวิตอีกไม่ใช่เรื่องทำเล่นนะกว่าเขาจะเกิดเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐนี่เขารอคิวมาต้องเยอะแยะเลยเขาเสียเวลาไปอยู่นรกหลายรอบไปเป็นเทวดาหลายรอบแล้วเขาเกิดเป็นมนุษย์แล้วยังพาเขาหลงทางอีกไม่ใช่เรื่องทำเล่น นี่แหละคือความหลงพราะครูบอกเรื่อยๆว่าหลงทางเราไม่กลัวกลัวไม่รู้ว่ากําลังหลงอย่างเราหลงป่าเรารู้แล้วก็เปลี่ยนทิศใหม่ถ้ามัว ย, ยึดมั่นถือมั่นเฮ้ยเขาบอกฉันอย่างนี้ฉันเคยชินแบบนี้ไม่ใช่หลงชาติเดียวนะตายแล้วเกิดใหม่เอกกรรมที่สร้างไว้มันก็ทําให้เราหลงอีกมันไม่ใช่เรื่องทําเล่นเอาล่ะถ้าเราไปเก็เป็นกลางเราเป็นนักวิยทยาศาสตร์ที่แท้จริงเราต้องอย่า พิ่งเชื่ออย่าพิ่งปฏิเสธสิทำใจเป็นกลางเขาท้าทายแล้วว่าเอาไหมวิธีพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงอาศูนยราลึกเราเราไม่เชื่อแต่เราจะพึ่งปฏิเสธถ้าเราเป็นั่งวิชาที่แท้จริงเราต้องพิสูจน์ให้ชาวโลกรู้ว่าคำสอนนีโกหกอันนี้เราไม่หรอกไม่มีเวลา ได้เราก็ไปหลงกับสิ่งที่เราหลงอยู่โลกนี้มันจะอยู่ไม่ได้เพราะอะไรพราะความสามารถของเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นมานั่นแหละการทำลายล้างมันเร็วกว่าเก่าความสมดุลของธรรมชาติถูกทำลายไปเห็นไหมถ้าไม่มีนักวิทยาศาสตร์แลนนี้โลกมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันจะอยู่เย็นเป็นสุข บางคนถามพ่ะครูว่าถ้าเกิดโลกแตกโลกแตกในแง่ที่นี้ว่าเกิดสงครามลงที่สองมันล้มกระดานเลยนะเหลือคนน้อยมากมันจะเป็นยังไงถ้าใครฝึกจิตปฏิบัติธรรมนั่นนะ่ะยุคภาษีอ่านไม่ต้องปลูกข้าวเลยนะไม่ต้องใช้เวลานานนะแค่สี่ห้าปีป่าไม้นี่เขาไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีอะไรช่วยเยเดี๋ยวมันก็อุดมสมบูรณ์สัตว์ทั้งหลายนี่มันจะแพร่พันุ์เร็วมาก อาหารธรรมชาติเรากินไม่หมดแต่ตอนนี้ฝีมือมนุษย์เราทำลายความสมดุลนี้เหล่านี้หมดเลยเพราะเราเก่งเกินไปนะคิดเก่งพูดเก่งทำเก่งแต่ไม่ได้พู ด, พดเป็นไม่ได้คิดเป็นไม่ได้ทำเป็นทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองมิไดกคนอวดเก่งกันนะก็ เข้าคำถามเลยเดี๋ยวจะมีเวลาปฏิบัติหน่อยหนึ่งครับหากต้องพบปะกลุ่มเพื่อนหรือต้องไปทำงานหรือแม้แต่คนในครอบครัวสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ทำให้เกิดอารมณ์ต่างต่างต้องทำอย่างไรจะปล่อยอารมณ์ต่างต่าง ไปได้คะมันเกิดที่ไหนก็ดับที่นูน้นเข้าใจหรือเปล่ามันเกิดที่ไหนก็ดับตรงนั้นอารมณ์มีอารมณ์ข้างนอกกับอารมณ์ข้างในอารมณ์ที่เกิดจากคนอื่นมากระทบภาษาเราถ้าเรามีสติรู้เท่าทันปุ่นเนี่ยมันเกิดมันก็ดับซึงว่าเขาด่าเราเนี่ยด่าด้วยอารมณ์เสียงด่านั้นคือรูปตัวได้ยินเสียงคือนาม รูปนามมันเกิดมันก็ดับแล้วรู้แล้วก็จบแต่ถ้าเราไม่ทันมันรูปเกิดปุ๊บเวทนาเกิดอารมณ์ข้างในก็เกิดแล้ววีนแล้วเมื่อมันวีนอยู่ในใจเราเราจะดับที่ไหนล่ะไม่ใช่ไปดับที่คนอื่นว่ามึงอย่าด่ากูได้ไหมก็ดับที่ใจเรานั่นแหละดับโดยอะไรต้องใช้สติปัญญาที่มีความเร็วกว่าอารมณ์ แต่ตอนนี้เราไปฝึกช้าๆฝึกสติแบบช้าๆสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่อารูปนามันเกิดดับร้อยกี่มวดช่องเมงถามว่าทันไหมมันไม่ทันแล้วเขาจะด่าเราเขาไม่ได้บอกว่าระวังนะฉันจะด่าเธอแล้วเนี่ยมันด่ามาเลยไงถ้าเราฝึกสติแบบช้าๆเนี่ยมันจะทันไหมเมื่อรูปเกิดมันกระทบหูไอเสียงด่ากระทบหูเวทนาเกิดมันลงใจเวทนาเกิดขึ้นที่ใจ มันก็บันทึกสัญญาว่ามันด่าเราไอ้สัญญาใหม่ไปกระทบสัญญาเก่าไอ้เชื้อใหม่กระทบเชื้อเก่าที่มันบันทึกไว้ว่าไม่ชอบถูกด่าการถูกด่าเป็นสิ่งเลวร้ายมากเห็นไหมสัญญาเกิดสังขารเกิดมันก็คิดปรุงแต่งว่าเธอด่าฉันฉันเสียเปียบไม่ได้ฉันต้องด่าเธอคืนภายในหนึ่งวินาทีขันห้าปรุงครบองค์แล้วเราก็เป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ด่ามันไปเลย เรารู้ทั้งรู้ว่าเขาดา่าเรามันเป็นคนไม่ดีมันทำให้เราเจ็บใจแล้วก็กลายเป็นคนไม่ดีเหมือนกันเราก็ด่ามันไปคืนเหมือนเราเดินไปสุนัขมันเห่าเราก็ไปเห่าตอบมันแล้วก็เป็นสุนัขเหมือนมันตอนนี้แหละเราเข้าใจเราไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้ทุกคนรู้แล้วทำไมทำไม่ได้เพราะมัวจะไปฝึกสติแบบช้าๆนั่นแหละเห็นไมพอเข้าค่ายเขาจับเราไปฝึกยิงเป้าเห็นไม ฝึกยิงปืนอ่ะยิงเป้านิ่งแล้วยังมีเวลาทําสมาธิเล็งอยู่ไม่ถูกกดดันเลยนะเพราะยิงผิดเป้ามันยังอยู่ยิ่งใหม่ได้ไงแต่ชีวิตจริงเรามันไม่ใช่เป้านิ่งมันเป็นเป้าบินเป้าบินถามว่าพิจารณาทันไหมมันงั้นคุณหมอท่านหนึงถามพอกูว่าพอกูบอกไม่พิจารณาไม่ตัดสินจะเกิดปัญญาได้อย่างไรเอาเป้า ขมาเเป็นสีอะไรใครยิงมาถามว่ามันตกลงมาแล้วปัญญาไม่ได้ไปว่ารู้มากปัญญาคือคุณยิงมันถูกไหมคนไม่มีปัญญายิงไม่ถูกทีนี้บางทีมันไม่ไม่ไมไมขึ้นมาลูกเดียวชีวิตเราบางทีมันด่าเราพร้อมกันสามคนเลยคุณจะรับไหวไหมคุณจะมีเวลาพิจารณาไหมคุณต้องยิงปะปังมาัางเห็น ไ, ไหมเมื่อเรายิงมันถูกรูปเกิดมันก็ดับปุ๊บนั่นแหละคือปัญญา คนไม่มีปัญญาดับมันไม่ได้ไม่ใช่ไปว่ารู้มากปัญญาคือรู้แจ้งเห็นจริงว่าอะไรก็ไม่ใช่คำชมก็ไม่ใช่คำด่าก็ไม่ใช่ไม่ต้องพิจารณาแต่เนื่องจากเราสู้ความอยากรู้เราไม่ได้ไงเอ้พิจารณาก่อนถ้าเป็นเพชรฉันไม่ยิงเอ้ถ้าเป็นพลอยฉันไม่ยิงทำไมถ้าเป็นก้อนหินฉันยิงอะนะแล้วคิดว่ามันทันเหรอมันไม่ทัน นปัญญาไม่ได้ไปว่ารู้มากคือป้องกันภัยได้ทันเหตุการณ์ทำให้เราไม่มีเวทนาทำให้เราไม่ทุกข์นั่นแหละคือตัวปัญญานะก็ไปเร็วๆนะเดี๋ยวจะเสียเวลาปฏิบัตินี่ลหละมันเกิดที่ใดดับตรงนั้นไม่ใช่ไปดับที่ไปบอกว่าเธออย่าด่าชันไหมทำให้ฉันโกรธ ทําให้ฉันโกรธก็ฉันเน่ยเป็นตัวโกรธตัวโกรธเกิดขึ้นที่ใจก็ดับที่ใจเราเห็นไส่วนมันดา่ามันมีอารมณ์ก็ช่างสต่ว่ามันด่ามาเรารู้เท่าทันเราก็ยิ้มมันโกรธอีกด่าแค่นี้ยังไม่โกรธอีกเลยมันด่ามาอีกแล้วก็ยิ้มอีกเห็น ไ, ไหมมันทุกเองไงแล้วเราก็ให้อภัยทานได้บุญเต็มๆ เ, เลย แต่ที่เราไม่ทันและเราโกรธเนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนให้อภัยไม่ได้และเราหลงตัวเองว่าเราถูกเสมอชอบตาหนิคนอื่นซ่อนสร้างวัจจีกรรมบ่อยๆเนี่ยนะยิ่งมาสติเรายิ่งถูกอารมณ์ของตัวเองครอบงำหมดเอาแต่ใจตัวเองนะมันเกิดที่ไหนก็ดับตรงนั้นอารมณ์มันเกิดขึ้นที่ใจเราทีนี้ถ้าไม่มีปัญญาของจิต ไม่มีสติของจิตแล้วเนี่ยใครก็สู้ใจตัวเองไม่ได้โกรธจนมันบอกฆ่ามันเลยปืนยิงมันเลยตอนนั้นไม่รู้ล่ะติดคุกติดตารางอะไรไม่สนใจล่ะเห็นไมเราทำร้ายตัวเองตลอดเพราะว่าเราไม่รู้เท่าทัานอารมณ์นะข้อที่สองเป็นทุกข์แต่ดับทุกข์ไม่ได้เพราะอะไรทำอย่างใรจึงจะดับทุกข์ได้เชื่อพระพุทธเจ้า อย่าไปเชื่อทุนนิยมมากมายนะแค่นั้นเองพระองค์สอนวิชาพ้นทุกข์แต่ทางโลกมันสอนให้เราเพิ่มทุกขนะ์เพราะเราไม่มีศรัทธาในคำสอนพระองค์เรานับถือพุทธศาสนาแค่เป็นรูปแบบประเพณีวัฒนธรรมแก้งขังกันนะเหมือนพ่อครูยกตัวอย่างหลายๆครั้งว่าหลายคนบอกพครูที่นี่แผลเมตตาไหมบอกกังคืนเขาทวัดเย็นครูบาอาจารย์ก็สอน เป็นการสวดแผ่เมตตามันเป็นแค่พิธีรีตองเฉยแต่สำหรับพระคูยี่ส้าปีไม่เคยแผ่เมตตาเลยพรอคูเมตตาทุกวันอันนี้แผ่พูดเสียงไพเราะเพราะพิงหน้าฟังมากเจาโมงหนึ่งออกไปเขาเหยียบขาหน่อยหนึ่งก็ไปด่าเขาไม่เคยเมตตาเลยอันนี้แผ่แค่ลมปากไล่สาระเมตตาเลยทำบ่อยๆนะข้อที่สาม การทำงานด้วยการปฏิบัติธรรมการทำงานคือการปฏิบัติธรรมหมายความว่าอย่างไรสามารถปฏิบัติธรรมระหว่างทำงานได้ด้วยหรือไม่อาจารย์พุทธทาสก็บอกว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะแต่ต้องทำหน้าที่อย่างตั้งมัน่นเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เราทำอยู่ปัจจุบันนั่นแหะคือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นัน่งหลับหูหลับตาอย่างเดียวนะ พอเรานั่งรับตาทําสมาธิเรามีหน้าที่ทําสมาธิแล้วก็ซื่อสัตย์กับมันไม่ใช่นั่งด้วยมาดูข้างนอกถ่ายวีดีโอนิ่งมากแต่ข้างในคิดเรื่องนั้นเครื่องนี้อันนี้ละเลยหน้าที่คอร์รัปชันหน้าที่เรากําลังเต้นเดี๋ยวสักครู่เราจะเต้นเหมือนดิสโก้เทคเรามีหน้าที่ตั้งมั่นกับการเต้นคําว่าตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือสมาธิเมื่อกำลังสมาธิมันเป็นหนึ่งเดียวแล้วสติมันก็ตื่นรู้ถ้าจเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะ ต้องสมาธินำสติตามมาโดยธรรมชาติถ้าเราไปฝึกสัมมารรมฐ า, านต้องใช้สตินำให้มันเกิดสมาธิอันนั้นเป็นขั้นตอนฝึกแต่ที่ศูนย์ีย่ไม่ต้องฝึกไม่ต้องเรียนทำเลยปฏิบัติเลยนี่คือการปฏิบัติธรรมนะเราเราปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลาในเราทำงานไม่ใช่เราวาดรูปอยู่เราวาดรูปอยู่ห้าอร์เซ็เรามีหน้าที่วาดรูปแต่เราเป็นคนรับผิดชอบอนาคตมาก แล้วก็แบ่งห้าิไปคิดว่าฉันวาดเสร็จแล้วฉันจะไปไหนจะไปทำอะไรก็วาดถูกวาดผิดพรุ่งนี้สีมันแห้งไปยังไงมันก็ได้แค่ห0อร์ซคุณครอรับชันหน้าที่คุณห้าสิบอร์ซตอันนี้ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมอันนี้สนองความอยากเห็นหแต่ถ้าเราไม่มีอนาคตเราตั้งมั่นกับวาดรูปมีสมาธิตั้งมั่นร้0เภาษาอังกฤษบอก totally กำลังสมาธิตั้งมั่นสติก็เตือนรู้อารมณ์ข้างในก็แทรกไม่ได้อารมณ์ข้างนอกก็แทรกไม่ได้พรุ่งนี้สีมันแห้งเป็นยังไงได้ร้อยเปอร์เซตพอครูเตือนนะเราถูกสอนว่าต่อสู้เพื่ออนาคตแต่พรอครูพูดบอกว่าย่างห่วงอนาคตมากมายอนาคตมีแน่ๆพรุ่งนี้ก็อนาคตปีหน้าอนาคตชาติหน้าข้าอนาคตเรามีหน้าที่ทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดนี่คือปฏิบัติธรรม ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะการทํางานคือการปฏิบัติธรรมแต่ต้องฝืนกิเลสเราหน่อยนะพอเผลอปุ๊บมันจะคิดส่งออกมันจะทําให้เราวางไอ้ปฏิบัติธรรมนั้นไม่เต็มร้อยไงทุกวันนี้เราขับรถอยู่เนื่องจากงานเราเยอะมากฟังโทรศัพท์คิดด้วยพูดด้วยอันนี้เรียกว่าคอร์รัปชันหน้าที่เราไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เราโอกาสพลาดพังมี เนี่ยการทํางานคือการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้แยกว่าปฏิบัติธรรมต้องไม่นั่งหลับหูหลับตาอย่างเดียวนะอันนี้เราปฏิบัติธรรมโดยเวลาเราเต้นก็เต้นเวลาเราเหวี่ยงก็เหวี่ยงเวลาเราล้องก็ล้องนะถ้าเราทํางานต้องคิดตั้งมั่นกับการคิดเรื่องเดียวอันนี้สังเกตไหมพอคิดเรื่องนี้บางทีก็เลี้ยวซ้ายไปคิดเรื่องนั้นคิดเลี้ยวขวานี่กันนี้เพราะความอยากของเราถ้าเราคิดเรื่องเดียวเนี่ยมันจะแตกฉาน คิดปุ๊บจบวางนะอันนี้ย้ำคิดย้ำทำนะมะโนกรรมถ้าคิดอย่างสติยังมีสมาธินั้นเป็นหน้าที่แต่คิดเลื่อยเปื่อยคิดสนองความอยากคิดจากตัณหามันจะขาดสติอันนั้นเป็นกรรมเป็นมโนกรรมข้อที่สี่อารมณ์และความรู้สึก เหมือนหรือต่างกันอย่างไรและจะทําอย่างไรให้เราควบคุมให้ไม่เกิดอกุศลละจิตได้อารมณ์และความรู้สึกต่างกันอย่างไรนะอารมณ์เกิดขึ้นถ้าเราไม่มีตัวรู้เราก็ไม่เห็นอารมณ์เราก็ถูกอารมณ์ครอบงำทําตามอารมณ์เหมือนอารมณ์มันโกรธนะเราก็ทําตามความโกรธ นะเราก็รู้สึกโกรธเราก็รู้สึกถูกอารมณ์โกรธเด่นเป็นรู้สึกกับมันแล้วก็ทำตามมันแต่ถ้าเรารู้ก่อนอารมณ์ไม่เกิดขึ้นเรารู้ก่อนรู้เท่าทันมันอย่าทำตามมันมันก็ดับแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันความรู้สึกเกิดขึ้นความรู้สึกนี้เป็นเวทนาแล้วเมื่อรู้สึกปุ๊บ มันจะเกิดการตัดสินว่าชอบไม่ชอบสุขทุกข์ก็ตามมาที่ผู้เจ้าใช้อายตนะวิปัสสนากรรมฐานนั่นให้พระลาหุนเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือพระลาหุนจเจริญอาณาปณสติไม่สงบเลยเพราะวินาทีนั้นพระองค์ทรงกำลังเป็นหนุ่มอยู่ฮอร์โมนเพศกำลังแรงไปบินทบาทเนี่ยสวยๆงามๆไม่สักแต่วรู้สักแต่ว่าเห็น เห็นปุ๊บก็รู้สึกมันรู้สึกแล้วเห็นไหมมันทําให้ขุนหมองนะทำให้ไม่สงบพระพุทธองค์เห็นวาราจิตก็เลยบอกให้พระราหุนเนี่ยเจริญอายะตนะวิปัสสนากรรมฐานคือสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าริ้มลดก็เห็นก็เห็น ไม่รู้สึกว่าสวยหรือไม่สวยอยากหรือไม่อยากนะคำว่ารู้กับรู้สึกคนละช่วงถ้าเรารู้ปุ๊บมันก็ดับไอตัวรู้สึกไม่เกิดขึ้นเหมือนเรากินข้าวบางคนถามพ่อกูเค็มไหมไม่รู้จะรู้ไปทาไมเค็มแล้วยังไงหวานแล้วยังไงนะรู้แต่รสชาติรสของความเค็มนั้นอะ มันไม่มีผลสําหรับพ่อครูว่ารู้สึกชอบไม่ชอบพ่อครูไม่ได้ลิ้มรสนะแล้วก็สักแต่ว่ากินบางทีถามพ่อครูกินข้าวหรืยงกินแล้วกินอะไรไม่รู้จะถามทําไมไม่ได้จําเลยเวลานั้นยุรลุกินแล้วก็มีสติเป็นหนึ่งเดียวกับการกินก็กินถ้าเราลิ้มรสปุ๊บมันเกิดตัณหาแล้วมันเกิดเจตนาแล้ว มันก็บันทึกสัญญาใหม่ไอ้ตัวรู้สึกเกิดขึ้นแต่มันไม่ใช่ไม่รู้นะถ้ามันไม่รู้ไม่มีสติเนี่ยมันก็ตักข้าวไปใส่จมูกนวไม่ใส่ปากนะแต่ไม่ใช่ตั้งใจว่าโอ้ขวาหนอตักข้าวหนอเคี้ยวหน่อยอันนั้นมันเด็กๆแล้วก็กินข้าวแล้วก็เดินแล้วก็อาบน้ำแต่เรารู้รู้ตัวทั่วพร้อมแต่ไม่รู้สึกอะไรเลย ถ้ารู้สึกปุ๊บเวทนาเกิดแล้วนะอันนี้ระหว่างรู้กับรู้สึกอกุศลลจิตก็เกิดจากความอยากเรานั้นแหละผู้เจ้าบอกว่าความอยากคือที่มาของทุกข์ความอยากคือตัณหาเนี่ยที่มาของความตัณหาก็คือกิเลสกิเลสทำให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอุปทานอุปทานทำให้เกิดทุกข์ แต่ถ้าเราฝึกสติเฉยเฉยเนี่ยถ้าสติเราฝึกบ่อยๆเราเราจ้องมันตลอดเวลานะบางทีมันจะเล่นงานตอนที่เรานอนหลับนั่นแหละให้เราฝันลายเราสะดุ้งเราจะเห็นเลยว่าเราจะมีสติไม่ตอนนั้นเราจะเห็นอารมณ์เรายังมีอยู่แต่ตอนเรามีสติปุ๊บรู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทันอารมณ์เวลานั้นมันก็พัฒนาสู่ตัณหาไม่ได้เราเบรกมันได้อุปทานก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดถ้าเราทําได้แค่นั้นวินาทีนั้นเราก็เป็นแค่คนไม่ทุกข์แต่เรายังไม่พ้นทุกข์ เพราะกิเลสมันยังอยู่เพราะเพราะไอตัวอยากมันก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าเรารู้เท่าทันมันต้นเหตุคือเรามีอัตตาอัตตาของจิตสังขารของจิตเป็นที่เกาะของกิเลสเมื่อเราฝึก บ, บ่อยๆเราเข้าถึงปัญญาแล้วเนี่ยมันรู้ว่าต้นเหตุคือเรามีอัตตามันระเบิดอัตตาทิ้งมันเข้าไปสู่สุญญาตาคือว่างจากอัตตาอันนั้นปลอดภัยไม่ต้องไปจ้องมองไม่ต้องไประวังอะไรเลยนะ คือถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเนี่ยเราไม่มีอนาคตแล้วเนี่ยถามว่าเราต้องคิดไหมไม่มีเหตุที่เราคิดเนี่ยเพราะเราคิดวางแผนเราคิดจากเราความอยากเรามีอนาคตเราจึงคิดไงเมื่อมันไม่มีอนาคตแล้วมันก็ไม่ต้องคิดก็ไม่ต้องสร้างมโนกรรมไงถ้ามันไม่คิดแล้วอารมณ์มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรพวกครณดูจากตัวเองนะ25ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ยังจําได้นะเราเคยตีกรอบตกปลายิงนก ดื่เล่าทุกยี่ห้อเป็นนักสังคมสูบบุรีวันหนึ่งสามสี่ซองอาหารโปรดคือทีบงสเต็กแต่ตอนนี้พระครูจําอารมณ์นั้นไม่ได้เลยพรอครูจําอารมณ์นั้นไม่ได้เลยเพราะไอ้กล่องบันทึกอารมณ์เรามันถูกระเบิดทิง้งแต่ไอ้สมองเราชาตินี้เรายังจําได้อยู่ว่าเราเคยทําอะไรมาแต่อารมณ์ที่เราไปทําตอนนั้นน่ะทีบงสเต็กอร่อยแบบไหนรสชาติบุรี วันหนึ่งสูบได้ยังไงสามสี่ซองเราจำรสชาติมันไม่ได้เมื่อเราไม่มีความอยากแล้วไม่มีอารมณ์เหล่านี้แล้วเนี่ยเรามีเหตุต้องสร้างกรรมไหมไม่เพราะครูพูดเสียงดังๆเลยนะเพื่อให้มันชัดเจนลองพูดความจริงธรรมะคือสัจธรรมอย่าไปติดบ่วงสี่สิบปีสินห้าบอกไม่ให้ทำอะไรเพราะครูทาหมดเราโกหกเราคิดว่าเราเป็นนักธุรกิจ การโกหกเป็นเทคนิคแต่บังเอิญนิสัยพ่อครูเนี่ยไม่เคยโกหกหลอกลวงไม่เคยว่าโกหกเพื่อจะหลอกเขานะเราคิดว่าเป็นเทคนิคพูดเพื่อให้เขาเชื่อเราเขาจะซื้อของเราเท่านั้นเองแต่เราเข้าใจว่าถ้าโกหกปุ๊บเป็นสิ่งเลวร้ายมากเพราะเราเข้าใจว่าโกหกหลอกลวงถ้าโกหกเพื่อให้ได้ไหมโกหกเพื่อช่วยเขาได้ไหมโกหกไม่ใช่เรื่องไม่ดี ถ้าโกหกให้มันเลิกทะเลาะกันให้มันสงบมันดีกว่าพูดความจริงแล้วทำให้เขาทะเลาะกันไหมแต่เราภาษาเราไปติดบ่วงภาษาว่าโกหกปุ๊บเลวรลายเลยเพราะเราคิดว่าโกหกมันจะหลอกลวงแต่ถ้าโกหกเพื่อช่วยเขาโกหกเพื่อให้เขาไม่สร้างกรรมโกหกเพื่อให้เขาปลอดภัยนี่ดีไหมในทางศาสนาเรียกว่าอุบาย เขาก็ใช้อุบายให้เราเนี่ยมั่แจะจ้องเพงนู่นเพ่งนี้เพื่อให้เราเลิกคิดเราจะได้สงบไงไม่งั้นเราจะเครียดตายก่อนอันนี้ก็เป็นการโกหกเป็นการใช้อุบายเพื่อจะให้เราเนี่ยเกิดความสงบเนี่ยภาษานี่บางทีมันหยาบเกินไปล้าก็ไปติดบ่วงนะว่าถ้าโกหกแล้วไม่ดีพวกครูพูดออกมาเองนะบางทีขยันพูดความจริงในทุกๆเรื่องเลวร้ายยิ่งกว่าการโกหกในบางเรื่องเพื่อให้ นั่นแหละอกุศลจิตนั่นแหะพระเจ้าก็บอกแล้วพุทธเจ้าไม่ใช่รู้เฉยเฉยว่าอะไรเป็นอะไรพระองค์รู้วิธีแก้ด้วยนะก็แค่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ดำเนินจเจริญมักผลนิพพานมักนี่คือไอ้เก้าอี้นี่สะอาดเพราะอะไรเพราะเราขัดบ่อยๆไม่ต้องไปซื้อตัวสะอาดมาใส่นะไม่ต้องไปเพิ่มความรู้อะไรเลยแค่ลดละเลิอกเอาออกทุกวันออกทุกวันเห็นไหมความสะอาดมันก็แสดงตัวความสะอาดมีอยู่แล้วเต็มเปี่ยม แค่เอาความสุกกับกรกออกเท่านั้นเองไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยมันมีวิชาไหนง่ายขนาดนี้ <c oughs> ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ต้องไปทดลองจรวดเดี๋ยวก็ระเบิดตอนนี้วันนี้ก็เครื่องบินทหารอากาศของเราเนี่ก็ตกรัฐมนตรีกรลางหมก็เสียชีวิตนะก็เนี่ยนี่คือเทคโนโลยีไงไม่ใช่มันดีเลอเลิศนะก็ข้อที่ห้า เป็นคนใจร้อนอารมณ์รุนแรงจะมีแนวทางใดทําให้ใจเย็นลงได้บ้างใช่หไหมมโนวิญญาณเนี่ยมโนาธาตุเราเนบคล้ายๆน้ า, นาเร า, เาไปแช่เย็นมันก็เย็นเอาไปแช่แข็งมันก็กลายเป็นของแข็งจากของเหลวกลายเป็นของแข็งเห็นไหมเราเอามาต้มนะจากของแข็งกลายเป็นของเหลว อ, อีก มันก็เดือดมันก็กลายเป็นอากาศถ้า น, นี่คือเหล็กไหลจิตใจเราก็เหมือนกันใจเราเนี่ยทำให้มันเย็นก็เย็นใจทําให้มันร้อนมันก็ร้อนใจแต่ตอนนี้ชีวิตเราเนี่เทน้ํามันให้มันตลอดเวลามันก็เป็นกรรมของเราไงแต่เมื่อตอนนี้เรารู้แนวทางแล้วเนี่ยใช่ไหมแล้วก็สูบน้ํามันออกมาเรื่อยๆ เมื่อมันไม่มีอยงรถคันหนึ่งจอดอยู่เนี่ยรถสูบน้ำมันออกมาเรื่อยเมื่อน้ำมันหมดหมดแล้วรถคันนี้มันเดินได้มันชนใครได้ไหมรถมันยังอยู่กิเลสยังอยู่แต่มันพัฒนาไปสู่ตันหาไม่ได้เพราะมันไม่มีพลังแล้วก็แนวทางผู้เจ้าอย่างนั้นแหละก็คือมรรคผลนิพพานอันเก่ามรรคนี้มันบวกทั้งบดทั้งศีสมาธิปัญญานะหรือฉี่ออกมาคนยุคนี้เนื่องจากความโลภเราเยอะ เขาก็เลยชูธงเรื่องทานขึ้นหน้าเลยทานศีลภาวนาเห็นไหมทานศีลภาวนาสติอยู่ไหนศีล ส, สมาธิปัญญาสติไปซ่อนอยู่ไหนไม่มีไม่ใช่พระเอกแต่ตอนนี้สติทั้งนั้นสติทั้งนั้ น, ต น, นแต่สติเป็นเครื่องมือหนึ่งในแปดเป็นเครื่องมือเดินทางที่มีความจําเป็นแต่ไม่ใช่พระเอกเราไปติดบ่วงตรงนั้นนะเราถึงเข้าถึงกล่องปัญญาไม่ได้ นะใจร้อนความรุนแรงเนี่ยมันก็เกิดจากอารมณ์นั่นแหละเราก็เนี่ยเรามาคลายอารมณ์ออกเด็กเยาวชนเขาไปเที่ยวดิสโก้เทคนะเขาเต้นแรงเต้นกลางเขาไปเพิ่มอารมณ์สนุกสนานเพิ่มามาหลงเข้าไปอีกนะเอาความสนุกสนานมากบเกอนความเบื่อของเขาพอชนกันปุ๊บก็ตีกันฆ่ากันอารมณ์ยิ่งมากสติก็ยึงขาดแต่ที่เราเต้นเหมือนกันเสียงดังเหมือนกัน แต่เราเต้นด้วยสมาธิสติเอาอารมณ์ออกคนละเรื่องนะเมื่อเอาออกไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเมื่ออารมณ์มันอ่อนลงเชื้อเพิงมันอ่อนลงโลภโกรดหลงเรายังอยู่พลังมันก็อ่อนลงก mm ิเ hmm. ลสเรายังอยู่แต่มันไม่สามารถพัฒนาไปสู่ตัณหาได้นี่คือคอายธรรมลมนี่คือขัดเกลาจิตให้ผ่องใสไม่ใช่ไปทฝึกสมาธิไปกดมันไวเหมือนหินทับหญ้าเชื้อมันยังอยู่ เราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของมันผู้เจ้าบอกดับทุกข์ดับที่ต้นเหตุแห่งทุกข์เราต้องเข้าไปเอาเชื้อที่ทำให้เราไม่สงบออกมาไม่ใช่ไปกดให้มันสงบกดสปริงอยู่สงบพอลูกตโ ต, ตชนมาเด้งผางเลยอันนั้นมันแก้ที่ปลายเหตุเราต้องทำลายสปริงซะยืดมันออกเมื่อสปริงมันหมดแล้วมันก็เป็นเหล็กเส้นหนึ่งไม่ต้องกดเลยมันสงบตลอดการนะ อันนี้ดับทุกข์ดับที่ต้นเหตุอย่างทุกข์ข้อที่หสติกับสมาธิต่างกันอย่างไรและสำคัญอย่างไรนะเมื่อกี้พ่อครูอธิบายแล้วว่าถ้าเราฝึกสมถะกรรมาฐานเนี่ยเราต้องใช้สตินาทำให้มันเกิดสมาธินะเหมือนเราไปจ็อกกิ้งเราอยากให้เราแข็งแรงเราไปวิ่งเนี่ยนะถ้าเราไม่มีสติปุ๊บใช่ไหมล่ะมันก็ วิ่งหลงทางวิ่งไปชนต้นไม้วิ่งอะไรเนี่ยนะนะคือเราต้องสตินี่ควบคุมให้มันเกิดสมาธิท่านในแง่ฝึกแต่ในแง่ชีวิตจริงเราเนี่ยต้องสมาธินำเมื่อเรามีสมาธิตั้งมั่นแล้วเนี่ยสติมันเกาะอยู่กับสมาธิน่ะมันก็ตื่นรู้เองมันเป็นมันเป็นธรรมชาติถ้าทำแบบไม่มีสมาธิย่ยแยกนี่เนี่ยเห็นไหมสติมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะแต่มันอยู่ด้วยกันอย่างแนบแน่น แต่สุดท้ายแล้วนี่มันไม่ได้แยกเลยนะเมื่อมักมีองแปดเขาเรียกว่ามักสมังคีปฏิบัติแล้วนี่มันสมังคีมันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยมันไม่ได้แยกว่าอะไรมันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นพลังมักมาอยู่ในนั้นหมดเลยนะจนสุดท้ายมันทำลายไอ้กล่องกล่องดำกล่องบันทึกอารมณ์เราต่างๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้นะ แต่ทุกวันนี้เรายังทําลายตัว น, นั้นไม่ได้เพราะเรายังมีกล่องความอยากนะอยู่เนี่ยเราก็ต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ใช้สติรู้เท่าทันบางที่รู้บ้างรู้ทันบ้างไม่รู้ธาทันบา้นบางนะแต่ถ้าเราถึงปัญญาแล้วเราจะแก้ที่ต้นเหตุของมัน mm. พราอครูบอกแล้วว่า25ปีของพวอครูเนี่ยไม่เคยคิดเลยมันไม่มีเหตุต้องคิดมันก็ถึงไม่ต้องปวดหัวไงไม่ต้องกินยาพาราแม้แต่เม็ดหนึ่งสมัยก่อนจนเป็นไนเกรน เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของเราแล้วก็เห็นธรรมะมันเกิดขึ้นจากเราเองเราจะพูดเชื่อไม่เชื่อได้หรือไม่เราบอกว่าเชื่องูก็ไม่มีขาเราบอกไม่เชื่องูก็มีขานั่นแหละไม่ใช่กำปั้นทุบดินมันเป็นเช่นนั้นเองนะ mm hmm. ก็เอาเป็นว่าไม่ต้องรู้มันมากมายหรอกขอให้ว่าเชื่อพระพุทธเจ้าไหมลองไหมสักตั้งไหม ทำไมเราเชื่ อ, อนักวิทยาศาสตร์ทำไมเราเชื่อทุนนิยมจังเลยทุ่มเทตลอดชีวิตเอามันเลยสู้ตายบางคนสู้จนลืมกินข้าวบางคนสู้โดย ไ, ไม่หลับไม่นอนค้นคว้าวิจัยจนถึงสว่างบางคนสู้โดยลืมหายใจนะเพราะว่ามัวแต่สู้นะคือเอาตัวเองไปทุกเพื่อสร้างอนาคตนะก็ข้อที่เจ็ดข้อสุดท้ายนะ ทำไมถึงบอกว่าความสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่สุขอยู่ที่ใจอย่างเดียวทุกข์ก็อยู่ที่ใจเวทนาเกิดขึ้นที่ใจสุขทุกข์เป็นเรื่องของเวทนาไม่ไม่ใช่สุขแท้มันสุขสุขดิบๆบมันเป็นสุขของโลกียสุขผู้เจ้าพูดถึงนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอันนี้โลกุตตละสุขไม่มีของคู่ใครเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้ที่มันสุขอย่างยิ่งเพราะว่า ไม่ใช่นิพานนั้นมีรถยี่ห้อใหม่ๆมีโรลสลอยมีรถเบนมีเครือหาดมีเรือยอทไม่ใช่เพราะมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีความกังวลอะไรเลยมันไม่มีความรู้สึกทุกข์ร้อนอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยนั่นแหละนั่นแหละคือความสุขอย่างยิ่งความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระ ไม่ใช่เสรีอย่างที่เราหมายถึงนะไอเสรีอย่างมนุษย์แสวงหาทุกวันนี้มันเสรีปลอมนะมันเป็นแค่ทฤษฎีแต่ภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยมันไม่พออะไรใช้ค้นคว้าวิจัยได้ปุ๊บลิขสิทธิ์เธอสร้างไม่ได้ถ้าไมไม่เสรีล่ละมันปากว่าตาขยิบนะก็ในหลวงเราท่านทรงมีพระราชดำริอย่างหนึ่งว่า อย่าไปแสวงหาคุณธรรมในโลกนี้ไม่มีและอย่าไปหาพระอรหันต์มาเล่นการเมืองเขาไม่เล่นหรอกและอย่าไปคาดหวังนักการเมืองมันจะสะอาดบริสุทธิ์แต่เราไม่มีทางเลือกอื่นอเมริกาลบสู้กันตายกันฆ่าอินเดียแดงไปบุกลุกเขามันไม่มีประลอดวัดคุณธรรมเขาก็เลยมาตกลงกันว่าเอาเสียงส่วนใหญ่โจรมันต้องเลือกโจร เมื่อเลือกแล้วมันพอใจนั่นคือประชาธิปไตยซานฟรานซิสโกเนี่ยเขาเลือกคนอเมริกันเชื้อสายจีนเป็นตัวแทนฝรั่งเป็นคนกลุ่มน้อยเขาตบมือให้นั่นคือประชาธิปไตยเราไม่เราไม่ได้ยึดหลักถูกต้องเรายึดหลักเสียงส่วนใหญ่เพราะเราไม่มีประหลอดวัดเราไม่มีเครื่องมืออะไรเลยที่จะมาตอบว่าอะไรมันจะถูกมันจะผิด ถ้าเราไม่ชอบเล่นเกมนี้ก็ก็เลือกเล่นเกมอื่นเลยแต่ถ้ายัางอยู่ในเกมนี้อยู่นั่นมันไม่มีทางเลือกมันถึงทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองไงยกตัวอย่างนะพวกคูเคยยกตัวอย่างนะคนหนึ่งเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวบ้านเขาจนมากไอ้ลูกเด็กๆไม่กี่เดือนหนึ่งก็ไม่สบายเมียก็ไม่มีอะไรจะกิน จะพาลูกไปหาหมอไม่มีสตังค์เขาก็เลยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไปเป็นขโมยไปเป็นโจรพ้นเงินมาพาลูกเมียก็ไปหาหมอไปถามลูกเมียมาว่าสามีเขาเป็นคนดีไหมเขาบอกย่อมเขาดีแต่อีกครอบครัวหนึ่งเนี่ยอันนี้พ่อครูเจอจากพ่อครูนะไปบรรยายอยู่ที่ตึกอื้อือเหลียงเขาให้ใครมีปัญหาส่วนตัวมาปรึกษาพ่อครูมีเด็กสาวคนหนึ่งเนี่ยตั้งท้องแรก มาคุยไม่ได้ร้องไห้ไปด้วยครอบครัวก็ไม่ได้เดือดร้อนสามีก็มีสตังค์ตั้งท้องแรกแทนที่จะรักดูแลภรรยาให้กำลังใจภรรยาก็ต้องมาทำงานกลับบ้านก็ต้องทำงานบ้านสามีก็จะกลับตีหนึ่งตีสองไปตีก๊อฟทุกวันถามว่าตีก๊อฟผิดกฎหมายไหมไม่ไม่มีกฎหมายเลยแล้วมันไม่ทำหน้าที่เป็นพ่อบ้านที่ดีถามว่าดีไหมระหว่างผู้ปกครอง พ่อบ้านสองคนนี่ใครดีใครชั่วเราคุณธรรมเราหมายถึงอะไรเลิกทะเลาะ ก, กันสักทีหนึ่งไม่มีใครได้ดีหรอกเราเป็นผ้าอาหารเหรอเราแน่ใจว่าเราถูกเราฆ่าคนชั่วในสายตาเราหมดเลยนะคนชั่วใหม่เกิดขึ้นทันทีเลยไอ้คนที่ไปฆ่าเขาเนี่ยคนที่ด่าเขาเนี่ย เป็นความชั่วลายาอย่างยิ่งก็คนชั่วก็เกิดขึ้นมาใหม่เห็นไหมมหาตมาคาร์ตีตอนพ่อครูเด็กๆ เ, เนี่ยเป็นบุคคลในจิตตนาการพ่อครูเลยเป็นรัฐบุรุษโลกเป็นนักเรียนนอกเสียสละเพื่อบ้านเมืองนะมาอยู่แบบสมัทาต่อสู้แบบอหิงสาจริงๆไม่ไปรบกวนใครนั่งอดข้าวคนเดียวจนอังกฤษยอมแพ้ ดีใจไม่กี่วันมหาตามะคันทีก็ถูกคนอินเดียฆ่าตายแล้วปัจจุบันนี้อินเดียก็มีศึกสงครามกลางเมืองเราคิดว่าเราจะฆ่าคนชั่วมันหมดในโลกนี้ได้เลยอีกกี่ล้านปีก็เป็นแบบนี้โลกกระทำแปดไงมีลาบเสื่อมลาบมียศเสืมม่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์สำคัญว่าเราดีจริงหรือเปล่าใช่ไหมถ้าไม่บริสุทธิ์จริงๆนี่อย่าไปพูดนะถ้าพูดบริสุทธิ์จริงๆนี่มันเป็นให้ธรรมทาน ทำไมบริสุทธิ์เป็นเป็นวจีกรรมไอกรรมเรากรรมเก่ายังไม่หมดเลยเนี่ยเราไปสร้างกรรมใหม่ทำไมแรงมากทิฏิมานะอิจฉาลิสยาพยาบาทแล้วนับถือศาสนาพุทธทำไมไม่มีเมตตาผู้เจ้าบอกให้อภัยเขาก็มันผิดไงมันเลวไงถ้าไม่มีคนผิดเราจะให้อภัยใครเหรอ เราจะไปให้อภัยคนที่เขาไม่ได้ทำผิดเลยฉันให้อภัยเธอนะเขามองหน้าเราดีไม่ดีเขาเตะเราด้วยนะเธอให้อภัยฉันทําไมเรามีจะรู้เฉยแต่เราไม่ทําเพราะเรามีจิตพยาบาทเรามีอคติเราไม่มีเมตตาส่วนเขาทําชั่วเขาจะตกนรกที่ไหนนั่นอย่าไปแย่งงานยมพบาลทำยมพบาลโกรธมากไม่ใช่หน้าที่เราอย่าไปห่วงห่วงตัวเองเถอะผู้เจ้าบอกอัตตหออัตโนนาโถ ตนแลย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนใส่โปรแกรมพยาบาทกันพกเพราะครูเห็นแล้วว่ามนุษย์เราเนี่ยตอนนี้นมันมันไร้สาระเอาเวลาของชีวิตไปเพิ่มความเครียดให้กับตัวเองนะเขาก็ตุ้นว่าไม่ออกมาไม่รักชาติทำไมรักชาติต้องทะเลาะกัน พ่อครูรักชาติมา25ปีไม่ต้องทะเลาะ ก, กับใครไม่ต้องไปรายงานใครด้วยยุวชนเยาวชนคืออนาคตของชาติสร้างชาติสร้างยุวชนเยาวชนมาช่วยพ่อครูรักชาติสิไม่เห็นทำมีแต่ไปด่ากันไร้สาระรักชาติอันดับแรกต้องไม่ทะเลาะ ก, กันก่อนเรามีปากใช่ไหมคนไทยสมัยก่อนทําไมพ่อคูนั่งพ่อคูเคยเป็นนักาการเมืองนะ ตอนยืนพูดน่ยยิ่งพูดยิ่งมันยิ่งขาดสติเลยใช้อารมณ์แต่คนไทยบอกจับเข่าคุยกันพระพุทธองค์เนี่ยนั่งกรรมาฐานเนี่ยเห็นไหมอันนี้ปางสมาธินะปางสยบมานแบบนี้คือเมื่อมีมานมาหลอกเราเนี่ยเราเตือนสติตัวเองนั่นคือปางสยบมานมันมีสติทุกวันนี้ยืนเย้ยวเย้ยวเยวด่ากันไปด่ากันมานั่นมีแต่อารมณ์ทั้งนั้น นะสร้างกรรมเงินทำไมไม่มีใครได้หรอกบ้านเมืองเสียหายเออถ้าสมัยก่อนเนี่ยพม่าม า, มาบบรบกวนเรามายึดแผ่นดินเราคืออยู่บ้านเราดีๆอย่างเวียดนามอยู่ๆก็ไปบุกลุกเขาเขาก็สู้ตา ย, ยางไงอันนั้นน่ะลักชาติอันนี้คนไทยด่ากันเองคนไทยทะเลาะกันเองเนี่ยชาติคืออะไรคือแผ่นนินนีกับคนไทยเรียกว่าชาติไทย คนไทยด่าคนไทยคนไทยด่าชาติคนไทยกำลังทำลายชาติคุณรักชาติจริงเหรอทุกฝ่ายนั่นแหละตอนนี้ขึ้นมันแลงนะพวกครูอยู่ในป่ากันก็ช่างมันก็ตามญาติยดียร์ทำนมาเน่ยแหละที่นี่มีหมดทุกสีเนอะรักชาติเหรอแค่ถอดเสื้อสีออกนะถ้าอยากจะใส่สีางี้ยก็ใส่สีธงชาติเนี่มันเหมือนกันหมดเลยนั่นนั่นแหละคือชาติไทย ก็ไม่ต้องเสียงก็ประมาณไม่กระทั่งบาทหนึ่งแม้ทให้มันสามัคคีก็แค่ว่าปลดทมตัวเองลงซะแก้ที่ตัวเองแล้วไปพูดว่าเราักชาติลักชาติพูดแต่วาจาเนี่ยจจิตเรามันไม่ใช่เนี่ยนะเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตใจเราไม่ได้หลอกเวรกรรมนะก็ตอบหมดแล้วนะความสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่สุขเฉยๆทุกข์ก็อยู่ที่ใจมีสิ่งเดียวเท่านั้น ที่จะสู้ใจได้ก็คือปัญญาของจิตไม่ใช่แค่สติสติไม่ต้องฝึกเรามีอยู่แล้วเต็มเปี่ยมถ้าเด็กมันเกิดมาไม่มีสติสัมโพชชงมันดูดนมไม่เป็นกลัวเกิดมามันก็เดินได้แล้วสัญชาตญาณเรามีอยู่แล้วแต่เราถูกกบเกลื่อนด้วยความรู้ผิดทุกวันนี้เราถูกสอนให้ถือศีลห้าเราเป็นผู้คองเลือนใช่ไหมถือถือดุดดูดแค่ห้าข้อนะ ทาซานไม่ต้องถือสินห้าทาซานมีศินห้าอยู่แล้วเต็มเปี่ยมศินคือความปกติของจิตถามว่าทาซานโกหกไหมมันโกหกทำไมมันไม่มีความอยากมันไม่รู้ว่ารถเบนซ์คืออะไรไม่รู้ว่าเงินคืออะไรภาษามันก็ไม่เป็นเอาเหล้าแพงที่สุดในโลกให้มันกินไหมมันมูอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระศินห้ามันมีอยู่แล้วแต่เราเรียนไปเรียนมาตอนนี้เนี่ยต้องมาถือสินห้ากันถือถือหลุดๆุดมือถือสากปากถือสินมนุษย์เรามันถอยหลังขนาดนี้ เราทำลายมันหมดนะครูโรงเรียนพวกครูเนี่ยประชุมใหญ่เขาบอกขอห้องจริยธรรมหน่อยพวกครูบอกคุณครูจะไปทำไมไปสอนเด็กให้มันไหว้ท่าโน่นท่านี้ให้มันไหว้สวยๆงามๆพวกครูบอกไร้สาระจริยธรรมไม่ใช่ไม่ใช่วิชาสอนมันคือจริยวัดต้องทำเป็นปกติ จากนี้ไปคุณครูต้องยกมือไหว้เด็กก่อนมาตอนเช้าไปยืนไหว้มันเลยบอกลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวมันก็ไหว้เราตอบทำทุกวันนั่นแหละคือจริยธรรมไม่ใช่วิชาสอนไปทำลายวัฒนธรรม ท, ทั้งหมดแล้วค่อยมาสอนมันเนี่ยอันนี้มันช้าเกินไปมันไม่ใช่วิชามันเป็นจริยวัรที่คนไทยควรจะประพฤติการให้อภัยกันนี่คือจริยาวัดจริยธรรมซึ่งคนไทยต้องทา พุธทธสาสยิ่ชนต้องทำแต่ตอนนี้หายไปหมดแขนกันทั้งบ้านทั้งเมืองกฎหมายฉบับเดียวกันตีความตะแบงเข้าข้างตัวเองทั้งสองฝ่ายอา้าภาษาไทยด้วยกันทำไมคุยกันไม่รู้เรื่องไจบด็อกเตอร์มาพร้อมกันรับปริญาบัตรในวันเดียวกันคณะเดียวกันออกมาแปลไทยเป็นไทยไม่เหมือนกันทะเลาะบอกแหวงกันต้องไปอาศัยศาลถึงจบปริญญาตีมาตัดสินถูกผิด คนสองคนนี้เรียกว่าคนมีความรู้เรื่องวิชาที่เรียนแต่ไม่มีปัญญาแม้กระทั่งคุยกันทำไม่รู้เรื่องที่ไม่มีปัญญาเพราะขาดสติที่ไม่มีสติเพราะไม่มีสมาธิที่ไม่มีสมาธิเพราะไม่มีศีลที่ไม่มีศีลเพราะถูกครอบงำโดยโลภกดหลงหลงภาษาตัวเองยิ่งเรียนก็ยิ่งหลงเราเรียนเพื่อรู้ไม่ใช่รู้ขยะรู้วิธีพ้นทุกข์นั่นคือเป้าหมายของการเกิด แต่ตอนนี้มีแต่คนรู้มากแต่คนรู้จริงไม่ค่อยมีถ้าเรารู้จริงแล้วไม่มีเหตุที่ต้องไปทะเลาะ ก, กับใครนะอันนี้พราครูทำไมไม่แรงขึ้นชื่อว่ามาสูนพลานค่อยขึ้นชื่อว่าเป็นผู้รู้ระดับหนึ่งยังมีทิฏฐิมานะยังมีความเครียดแค้นพยาบาทยังมีใจดำขนาดนี้เลยแล้วพคูจะไปหวังอะไรเลยนี่แหละพ่กคูถึงไม่ตัดผมไง มันเป็นอาการที่ไว้ทุกข์ให้มนุษย์เสียชาติหมดแล้วเด็กเจ็ดขวบผู้หญิงเนี่ยเป็นแม่และไม่บ้าก็กินยาให้มันบ้าอยากมีวัตถุมากมายวางแผนฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ชายแล้วมันจะเหลือหรือเปล่ามันหมดแล้วไงนยก็พวกคูกำลังไว้ทุกข์อยู่ก็มันเป็นเกาะป้องกันว่าอย่าเชิญพ่อครูไปที่ไหนนะมันไม่เป็นมงคลพ่อครูอยู่ตรงนี้ล่ะ โอเคนะสุดท้ายนี้ก็ขอลาตนาคุณพระศีลาตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบรารมีที่ได้ร่วมกันพื่ปฏิบัติมาได้คุ้มครองทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบนรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทอเน